อาจารย์ครับกล่าวณภาษการครับผมเอจริญพรสบายดีนะครับผมสบายดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ท่าแข็งแรงนะครับผมก็ยังใช้ได้อยู่เพรวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยที่นี่อ๋อครับผมแต่อาจารย์บินสบายดีคก็มีหยุดหยุดบ้างตกบ้างแต่ครับทั้งวันครับก็บินนบาตกางร่มกางประไครครับผมไม่เป็นปัญหาเลย ครัอาจารย์ครับชนบุรีตอนนี้คนแน่นเลยสิครับอาจารย์เห็นคนไปเที่ยวกันเต็มเลยครับตอนนี้เมื่ทเช้าเหมือนกันเหมือนเดิคนไปใส่บาทคนไปใส่บาทเยอะขึ้นไหมครับอาจารย์ครับช่วงนี้ก็มันก็จำนวนเยอะก็ไม่ไม่ไม่ผิดปกตินะเพราะว่าเป็นอย่างนี้มาตลอดเช้าที่คนก็ค่อนข้างเยอะมากรก ป, าาปกติก็ประมาณสองร้อยคนตน่อวันถ้าเช้าที่ก็สามร้อยสี่ร้อยขึ้นไป ครับอาจารย์ครับอ ย, อย่างนั้นผมขออนุ ญ, ญาตพระอาจารย์ครับช่วงนี้เห็นข่าวคนเสียชีวิตเรื่อยๆเลยครับเป็นผู้มีชื่อเสียงเสียชีวิตอยู่เรื่อยรู้สึกว่าเรื่องความตายนี่มันใกล้ตัวเหลือเกินครับอาจารย์ก็เลยอขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยขยายความเรื่องมรณสติครับอาจารย์ครับอยากจะฟังเรื่องนี้ครับผมเรื่องของความตายมันเป็นเงาที่ตามมากับความเกิด <laughs> เกิดกี่คนเ <c oughs> งาตายกี่คนนะ เกิดร้อยคนก็ต้องตายร้อยคนอย่างเดียวว่าเราไม่คิดกันเท่านั้นเองเราก็เลยคิดว่าไม่ตายกันแตทุกคนที่อยู่ในโลกขนาดนี้ทางคุณหมอกทั้งเราเนี่เดี๋ยวก็ต้องตายกันทุกคนแต่เนื่องจากเราไม่คิดพระพุทธเจ้าบอกให้เรามีมรณสติให้คิดถึงความตายแต่เราไม่ยอมคิดกันเรากลัวคำว่าตายกันแล้วคนตายเราก็ไม่ยอมใช้พูดคำว่าตาย อาจะใช้ว่าสิ้นลมบ้างไปสวรรค์บ้างแล้วแต่ฐานะถ้าเป็นผู้สูงก็สวรรคตบ้างมรณะมรณภาพบ้างแต่คว่าตายนี่ถือว่าเป็นอภปมงคลแต่ความจริงคำว่าตายนี่เป็นปัญญาบอกบอกถึงความจริงของชีวิตว่ามันเป็นอ น, นิจจ์ไม่เที่ยง พ <c oughs> ระพุทธเจ้าทรงสอนในชาวพุทธเรามัดพิจารณาอยู่หนึงน่งแนวว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ความเจ็บความตายเป็นไม่ได้การพิจารณาอยู่หนึงน่งแนวนี้จะทําให้ใจเตรียมพร้อมที่จะรับกับสภาพความเป็นจริงเมื่อใจพร้อมที่จะรับแล้วใจจะไม่บุ่นหวายใจจะไม่ทุกข์ ใจจะไม่เดือดร้อนใจจะไม่มีความวิตกกังวลมากจนเกินไปเพราะรู้ว่าในที่สุดชีวิตก็ต้องมีวันสิ้นสุดการพิจารณาความตายนี้เพื่อไม่ให้ประมาทเพื่อไม่ให้คิดว่าเราจะอยู่ไปนาน การพิจาราความตายนี้เป็นการเตือนใจให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานี้มีวันสิ้นสุดลงทุกคนและอาจจะสิ้นสุดลงได้ทุกเวลานาทีดังนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตยอยู่ควรจะใช้เวลาของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาเกิดเป็นมนุษย์ อย่าสูงสุดโดยเฉพาะในยุคที่มีพระพุทธศาสนาก็คือปฏิบัติทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรายุติการเหมือนว่าตายเกิดกันเพื่อให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดต่อไปเพราะการเกิดนี้เป็นทุกข์การไม่เกิดนี้ไม่มีทุกข์ทุกข์เยี่ยมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้น จะเกิดมาดีขนาดไหนสูงขนาดไหนก็ต้ อ, องเจอความทุกข์อยู่เพราะทุกคนเมื่อเกิดแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายมีการพลาดพลาจากกันเป็นธรรมดาลงอนไปไม่ได้อั น, น, นี้คือหลักของการไม่ประมาทที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราเตือใจอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เรารู้วาเวลาของเรานี้ มันจะเข้าดาวไปเหมือนปีใหม่ที่เราเข้าดาวกันอันนี้ก็ชีวิตของเราก็จะสั้นลงสั้นลงเหลือน้อยลงเหลือน้อยลงไปทั้งหมนโอกาสที่เราจะได้ทําสิ่งที่มีประโยชน์ครับจิตใจของพวกเรานี่ก็จะมีเวลาน้อยลงไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายเราจะได้เลือกเอาว่าเราควรจะทําอะไรดี เรายังจะทํากับสิ่งต่างๆที่เราจริตใจเราไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างใดเราร่ายศเสริเสริญสุขที่เรียกว่าโลกกระทำมันไม่มีคุณประโยชน์อะไรกับจิตใจนอกจากไม่มีคุณประโยชน์มันยังเป็นโทษมันทําให้ใจเราทุกข์และพาให้ใจเราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุด เราควรจะเปลี่ยนการหาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจเรานี้กว่าคือหามักผลนิพพานนี่มากผลนิพพานนี้จะพาจิตใจให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพอะจะไม่มีการเกิเดกต่อไป น, นั่นเองโดยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ถ้าเป็นพระถ้าเป็นคารวะก็ให้ปฏิบัติทานศีลภาวนาซึ่งเป็นทางอันเดียวกันตามตรงที่มีทานหรือไม่มีทานทานนี้สําหรับผู้ยังมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองศีล ส, สมาธิปัญญาสําหรับผู้ที่ได้สละทรัพย์สมบัติไปหมดแล้วได้ออกบวชแล้วก็ไม่มีชความจำเป็นที่จะต้องทําทานอีกต่อไป เพราะไม่มีอะไรจะทำไม่มีอะไรไม่มีสมบัติที่จะเอามาให้ผู้อื่นได้แล้วเพราะให้ไปบทแล้วตอนทีตน่ตอนที่จะบน่นนั่นเองนี่คือประโยชน์ของการทำเลิกถึงความตายมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเลยถ้าเรารู้ว่าความตายเป็นอย่างไรความตายก็คือการสิ้นสุดของร่างกายซึ่งเป็นเพียงผู้ที่เป็นผู้รับใช้จิตใจ จิตใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายจิตใจเป็นเจ้านายของร่างกายใจเป็นนาย Element? คายเป็นบ่าวกายเป็นเพียงผู้รับใช้ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราอยู่ที่ใจเวลาร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั้นเราไม่ต้องกลัวความตายของร่างกาย ความตายของร่างกายก็เป็นเหมือนกับการไปเปลี่ยนร่างกายนั้นเองร่างกายนี้ตายใจที่ไม่ได้ตายที่ยังอยากจะได้ลาภยศเสริญสุขก็จะกลับมาหาก็จะไปหาร่างกายอหน่เพื่อที่จะได้เกิดใหม่เพื่อที่จะได้มาหาลาภยศเสริญสุขอีกรอบหนึ่งต่อไปนั่นเองอันนี่คือเรื่องที่เกี่ยวกับข้องกับตัวเรา คือร่างกายของเราไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงผู้รับใช้เราเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่เราเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเราซื้อรถยนต์มาคันหนึ่งขับไปได้สักสิบปีก็หมดสภาพเราก็ขายแล้วเราก็เปลี่ยนซื้อรถคันใหม่คนขับไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์ใจก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย แต่ใจไม่ขาดปัญญาไม่มีใครสอนจะบอกว่าร่างกายไม่ได้เป็นใจก็เลยกลัวกันคิดว่าตอนเองเป็นร่างกายแล้วพอร่างกายเป็นอะไรก็จะทุกข์จะนึกวุ่นวายใจเพราะไม่อยากให้เป็นนั้นความทุกข์เกิดจากความไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายไม่ใช่เพราะว่าร่างไม่ใช่เพราะ เพราะความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่ทาให้ใจทุกเหตุที่ทำให้ใจทุกก็คือความอยากไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายเท่านี้ผู้ปฏิบัติธรรมพอเข้าใจหลักของอริยาาสัจสีแล้วก็ยอมความยอมรับความจริงว่าร่างกายนีต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายไปไม่เอาไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์อยากก็จะทุกข์แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงของร่างกายที่จะต้องแก่เจ็บตายอยู่ดังนั้นผู้ปฏิบัติก็จะเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ไม่ได้ไปทําให้ความแก่ความเจ็บความตายยับยั้งได้แต่อย่างใด อยากเท่าไหร่มันก็แก่เจ็บตายเท่านั้นสู้อยากไปอยากได้ปะ่ะใจจะได้ไม่ทุกข์ใจจะได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายกับร่างกายดูแลมันไปตามมรมถะเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษามันไปแต่ไม่ตื่นเต้นตกใจเวลามันจะตายก็ไม่ตื่นเต้นตกใจเพราะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นห้ามันไม่ได้ น, นี่ก็คือเรื่องของมรณะสติที่เอามาฝากท่านกันในวันนี้ที่ว่าพอสมควรน้าจากว่าใครมีอยากจะถามะอะไรเพิเติมก็เชิญถามได้ครับกลับกับพระคุณอาจารย์ครับมีคนฝากถามแต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นผนเข้ามาด้วยนะครับอาจารย์ครับจากคุณแองเจิ้ลครับคําถามถามว่าการซื้อปลาทองมาเลี้ยงนีบาปไหมครับอาจารย์ มันก็เป็นการจับเข้าไปกักขังกับไปขังอยู่ในตู้แทนที่จะให้เขามีสลภาพอยู่ในลาน้ําตามธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติของเขาเขาก็ถูกจับมาขังไว้ในคุกถ้าเราถูกใครเขาจับเราไปขังเราในคุกนี้เราจะคิดอย่างไรเราก็จะไม่พอใจเราก็จะทุกข์ ึงแม้ว่าในคุกนั้นจะมีอาหารมีอะไรพร้อมบริบูรณ์ก็ตามเถิดแต่โดยธรรมชาติของคนทุกคนสัตว์ทุกชนิดรากการมีสระภาพรางการที่จะสามารถไปไหนมาไหนได้ตามความต้องการตอนนี้พวกเราเหมือนติดคุกใช่ไหมเพราะโควิดมันห้ามนีแล้วเรามีความรู้สึกยังไง ร, ระหว่างตอนที่มีโควิดกับตอนที่ไม่มีโควิดนี่ ความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรนั่นแหละคือการจับปลาไปขังไว้ในในในตู้มาเลี้ยงในตู้คำถามจากคุณสมาพรครับกลาบเป็นถามอาจารย์การกำจัดความกังวลความกลัวการพัดภาคจากบุพการีจากบุคคลอันเป็นที่รักด้วยท่านก็สุขไวขึ้นเรื่อยๆค่ะ ก็นั่นแหละก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆว่ามันเป็นความจริงที่ต้องเกิดการไม่ไปคิดมันมันทําให้เราปฏิเสธความจริงซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะไม่มีการพัดพลาดจากกันเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตก็จะเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายมากขึ้นมากขึ้นนี่เองให้เราคิดดีๆอย่าไม่อย่าไปปฏิเสธคิดแล้วเราจะได้ เตรียมใจรับได้ถ้าเราไม่ได้คิดเราก็จะพยายามหวังว่าคงไม่มีการพัดพักจากากันรามาจะอยู่กันไปนานๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ควรมันคิดอยู่บ่อยๆความนั้ถึงความตายถึงการพัดพักจากากันบ่อยๆนี้จะทำให้ใจใจสงบใจจะยอมใจจะยอมรับความเป็นจริง แลวเวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดเงินพยายามแล้วลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วลึกถึงการท้าทายจากกาันให้มากๆเถอะแล้วจะทําให้ใจเราเย็นใจเราสบายไม่กังวลไม่กลัวกับเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปแต่คุณสุขทุกขอยู่ที่ใจครับทานศีลภาวนาสารัดครว่าด ขอคำอธิบายคําว่าภาวนาในแต่ละวันต้องทําอย่างไรครับนักบวชการครับการภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจด้วยการปฏิบัติสองระดับด้วยการระดับแรกเรียกว่าสมาทิคือทําใจให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบเรียกว่าสมาทิหลังจากที่เราสามารถปฏิบัติขั้นสมาธิได้แล้วสามารถทำให้ใจอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาแล้ว เราก็ขึ้นไปสู่ขั้นที่สองคือขั้นปัญญาขั้นปัญญาเพื่อสอนใจให้ใหรู้ตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือของทั้งหลายที่เราสัมผัส ด, ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเช่นลาบยดเสริญสุขต่างๆนี้ล้วนเป็นอนิจจังเป็นไตรลักษณ์อนิจจังไม่เที่ยง ไม่ถาวรไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียมีเกิดมีดับอ น, นัตตาเป็นสิ่งที่เราไปบังคับอ้ามไม่ได้เมื่อเราอยากให้มันถาวร อ, อยากให้มันเป็นนิจจ์ไม่มีการสิ้นสุดไม่มีการดับเราก็จะทุกข์กันเพราะอมันเป็นไปไม่ได้นั่นเอง นี่คือขั้นปัญญาที่เราจะต้องปฏิบัติการปฏิบัติจึงแบ่งเป็นสงขั้ น, นเวลนั่งสมาธินี้เราไม่พิจารณาทางด้านปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาแล้วเราพิจารณาทางด้านปัญญาไนดะ้เช่นตอนที่การพิจารณาร่างกายของเรานี้ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เป็นการเจริญปัญญาเพื่อให้ใจเห็นความจริง แล้ใจจะได้ไม่ต้านไม่ฝืนความจริงเมื่อไม่ตานไม่ฝืนความจริงใจก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี่เรียกว่าการภาวนาคาถามเจ้าคุณธรรมดาธรรมดาครับกาเปียนถามอาจารย์ค่ะทําไมคนเราจึงไม่แก่ตายคะทําไมต้องมีโรคภัยมาเบียดเบียนคะมันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่ส่วนใหญ่ก่อนจะตายมันต้อง มีรอบไปเพราะอวยัยวะต่างๆของร่างกายมันชารุดสุดโทนั่นเองครับหมือนรถยนตนะ์อะรถยนต์ก็อวยัยวะของรถยนต์ก็มีการชำรุดสรุดโทรแต่เราไม่เรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล่วว่ารถเสียเดี๋ยวยางแตกเดี๋ยวคือชิ้นส่วนชิ้นนั้นเสียเนี่ยารุดชนรุยใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนมัน ก็เป็นอาการเจ็บไายของรถ ย, ยนต์ร่างกายของคนเราก็เหมือนกันมันเมื่อมันเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมไปตามกาลตามเวลาจึงเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาทาร่างกายนอกจากว่าถ้าตายก่อนตอนที่ยังเยาว์วัยจะไม่ค่อยมีการเจ็บไข้ได้ป่วเยเพราะฉะนั้นร่างกายอาวัยวะของร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทำหน้าที่ได้เต็มที่ คนที่ตายตอนที่เยาววัยมักจะตายด้วยสาเหตุอหนึ่งตายด้วยอุบัติเหตุมรืตายด้วยการติดเชื้อโรคต่างๆและไม่ได้ตายเพราะความเสื่อมของอวัยวะต่างๆเหมือนกับคนสูงอายุคําถามจากคุณจิตเกษมครับลูกสาวสิบขวบถามว่าคนเราตายแล้วไปไหนจะตอบและอธิบายได้อย่างไรบ้างครับกับรัศการพระอาจารย์ครับก็ต้องบอกก็ว่าคนเรามีสองส่วน ส่วนที่เราเห็นคือร่างกายกับส่วนที่เราไม่เห็นคือจิตใจจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจก็ไปอยู่ในโลกทิศร่างกายอยู่ในโลกนี้ร่างกายเราก็าไปเผาหลือไปฝังดินส่วนจิตใจก็ไปตามอำนาจของบุญและบาป ท, ที่ได้ทำไว้ถ้าทำบุญก็ได้ไปอยู่ในสวรรค์ไปเป็นเทวดา ถ้าทำบาป ก, ก็ไปเกิดในอบายไปเกิดไปอยู่ในนรกเขบอกเขาตามาปากจริงจิตใจเป็นดวงวิญญาณหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อจิตใจเป็นดวงวิญญาแตแทนเป็นตัวเดียวกันแต่เป็นดวงวิญญาณที่มีบุญกุศลก็เป็นเทพก็เรียกว่าเทพดวงวิญญาณที่มีบาปแล้วต้องเปรเราก็เรียกว่าเปรเรียกว่าสุรกาย นี่นรนีท่นั้นนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราทุกคนหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วคำ ถ, ถามจากคุณเปตองครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับถ้าเราพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบทายถือว่าการรักษาศีลข้อสี่ของเราจะขาดหรือด่างพร้อยครับสำหรับศีลห้าหรืหรอศีลแนี้ไม่ได้รวมถึง การพูดสอ่อเสียงหรือเพอเจ้อหรือพูดคำหยาบสี่งห้านี้หรือสิ่งแปดนี้ท่านจะหมายถึงการพูดปดเท่านั้นเพราะเวลาสมาทานสิ่งเขาว่ามุสาวาทาเวรามณีอย่าละเว้นจากการพูดปดแต่ไม่ได้มีการว่าละเว้นจากการพูดคำหยาลบละเว้นจากการพูดสอ่อเสียงละเว้นจากการพูดเพอเจอยังไม่ถือว่าผิดศีล ถ้ายังพูดสอดเสียพูดพรเจอพูดคำหยาบอันนี้เป็นเสียเป็นเสียที่พระผู้ที่เป็นนักบวชที่จะรักษากันมากกว่าหรือว่าเป็นอากุศลที่ละเอียดกว่าผู้สาวการพูดบดผู้ที่เป็นนักบวชต้องการมีวาจาที่สุภาพเรียบร้อยสวยงาม ก็ก็เลยละก็เลยต้องถือข้อเหล่านี้ผู้ที่เป็นคารวาสผู้กองเลยนี้ยังไม่ได้อยู่ในระดับนั้นก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือก็ได้ถือก็ดีไม่ห้ามแต่ไม่ถือก็ไม่ถือว่าผิดสีลข้อข้อสี่คำถามจะคุณทาทาครับกราบถามพระอาจารย์ข้างบ้านปลูกต้นขนุนชิดลัวผ่านมาหลายปีต้นไม้โตจนขยายมาคลุมถึงหลังคา บ, บ้านโยม แม่ของโยมกวาดใบไม้ที่ร่วงทุกวันโยมก็เคยบอกเจ้าของแต่เขาเมินเฉยจนแม่ของโยมกลัวว่าต้นไม้ที่แม่ปลูกไว้จะเสียหายจากลูกขนุนที่หล่นใส่จึงปย้ายต้นไม้จนบาดเจ็บโยมเห็นแม่เป็นอย่างนั้นจึงโกรธมากใจอยากจะหาวิธีทําลายให้ต้นขนุนนั้นแต่อีกใจก็กลัวบาปและสงสารพวกนกหนูที่อาศัยกินผลไม้นั้นแต่โยมวางใจให้เป็นสุขไม่ได้เลยขอได้โปรดอาจารย์ให้สติด้วยเถิดค่ะบามทุกขของใจเราเกิดจากความอยาก ที่อยากจะกําจัดต้นต้นกขนุนต้นนั้นแล้วเมื่อเรากําจัดไม่ได้เราก็เลยทุกใจเราก็ต้องดูความจริงว่าเรากําจัดมันได้หรือไม่ถ้ากําจัดไม่ได้เราก็ต้องทําใจเหมือนเราห้ามฝนตกได้หรือไม่ห้ามฝนตกไม่ได้เราก็ต้องทําใจอย่าให้ฝนตก พอเราทำใจยอมให้ฝนตกได้เราก็ไม่เดือดร้อนฝนตกก็ตกไปใจเราก็ไม่ทูกกับการตกของฝนดังนัเราก็มองต้นถนนนี้ให้เป็นเหมือนกับฝนก็แล้วกันเราไม่สามารถที่จะไปทำลายมันได้กำจัดมันได้เราก็ต้องอยู่กับมันยอมรับมันเหมือนกับเราอยู่กับฝนแค่นั้นเอง คำถามจ้กคุณแองเจิลครับเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการนอนสมาธิคือการฟังธรรมและหลับไปใช่หรือไม่คะไม่ใช่เนาะการนอนสมาธิไม่มีหรอกมีแต่นั่งสมาธิการนอนสมาธินี้สําหรับคนที่ขี้เกียจอยากจะนอนก็เลยเอามานอนสมาธิความจริงไม่ได้ทําสมาธิแต่ยอย่างใดเพราะนอนมันก็หลับเท่านั้นแหละมันจิตไม่มีวันที่จะเข้าสมาธิได้ในขณะที่นอน ่การนอนสมาธินี้ไม่ใช่เป็นและก็ไม่ใช่เป็นการฟังธรรมะการฟังธรรมะนี่ตามหลักก็ควรจะนั่งฟังเพื่อจะนั่งไม่หลับเพราะว่าเวลาอยู่ในท่านอนมันจะสบายแล้วพอเราได้เสีย ง, ฟ, งฟังเสียงธรรมธรรมนี้จะก่อให้ใจเราสงบแต่พอเราไม่มีสติมันก็เลยทําให้ใจเราหลับแทนที่จะทําให้ใจเราสงบ ถ้านันเองงั้นถ้าอยากจะนั่งอยากจะทําสมาธิแล้ว อ, อยากจะฟังทําให้ได้ผลต้องทําในท่านอย่าไปทําในท่านท่านอนท่านนอนแล้วมันจะหลับแล้วฟังไม่รู้เรื่องอาจจะฟังรู้เรื่องเพียงช่วงแรกๆไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กี่นาทีแล้เดี๋ยวสภาพก็เคลิมหลับไปทําสมาธิก็เหมือนกัรทําในสมาธิในท่านอน ดูลงาหายใจเอาได้เพียงแว บ, บเดียวเดี๋ยวก็เผลอหลับไปเพอเป็นท่าที่สบายทำให้ขาสสติได้ง่ายถ้าอยากจะทำสมาธิหรืออยากจะฟังทำควรจะอยู่ในทาน่านั้นถึงจะได้ไประโยชน์ได้ผลคำถามจากคุณอรัญญาครับกาบเบียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าหากเรายังไม่สามารถฝึกแยกทาาแยกขันได้เราจะกำหนดจิตสุดท้ายให้ไปอย่างสงบได้อย่างไรคะ ก็ให้เราเราลือกถึงพุโทโธพุโทโธไปก็ได้หรือสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้สวดบทในที่เราชอบที่เราจำได้ไปหรือเราเลือกถึงพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ใจของเราก็จะสงบได้และไปอย่างสงบได้จากคุณฟรอสเซนแบร์ครับวิธีช่วยลดละ ค, ความอยากได้อยากมีต้องทำเช่นไรคะ ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันไม่เทีย่ยงมันได้แล้วเดียวมันก็หมดไปะหรือ ว, ว่าเปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไปหมดไปมันความสุขที่เราได้จากมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพอเราเห็นว่ามันจะทําให้เราต้องทุกต่อไปเราก็จะไม่อยากได้คํถาถามจากคุณแมเปิ้ลครับแกง แขนไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยผิดไหมคะแล้วแต่ว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าเราอยู่คนเดียวสวดมนต์ของเราไปเราจะแขวนแขนไม่ทำอะไรไปด้วยก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าเราอยู่ที่ที่เขานั่งสวดกันแล้วเราไปทำอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมองสมรวมเวลาสวดมนต์นี่เป็นเหมือนกับการเฝ้าเข้าเฝ้ า, า, าพระพุทธเจ้าที้เาพูดเราถือ เมื่เรานั่งอยู่หน้าพระพุทธรูปเราก็ต้องอยู่ในกิริยาการที่ที่มีความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะมีอาการที่สรวบเรียบร้อยแต่ถ้าเราใช้การสวดมนต์เป็นการจเจริญสติเช่นเราสวดมนต์ภายในใจไม่มีใครรู้ว่าเราสวดมนเราจะวิ่งสวดก็ได้เดินสวดก็ได้ แห่งมือออกกำลังตายไปสวดไปก็าดอันนี้ไม่เป็นปัญหาใตอย่างไดแต่เราต้องรู้จักการละเทสะว่าเราอยู่ในสภาพไหนต้องควรจะทำตัวเราอย่างไรคำถามจากคุณตั๊กครับคนที่ตายแบบไม่ทรมานเช่นนั่งหรือนอนอยู่ดีๆก็ตายไปเลยถือว่าเป็นคนดีหรือคนมีบุญหรือเปล่าคะเป็นคนที่ มีมีสติพวบภูมิใจของเขาไม่ให้ทุกข์ไม่วุ่นวายใจคำถามจากคุณวิเชียนครับบางครั้งเวลาตื่นกลางดึกจะรู้สึกเบื่อหน่ายใครกำหนัดไม่อยากได้ไม่อยากมีอะไรเลยเป็นเพราะอะไรครับอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะอารมณ์ก็เป็นอนิจจังบางครั้งก็มีความกำหนัดยินดีบางครั้งมันเกิด ค, ความเบื่อหน่าย อันนี้เป็นเรื่องของอารมที่มันแปรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆคาถามจากคุณรัชยาครับาากาศนักวิชการพระอาจารย์ขาเขอโอกาสเมื่อเราตายจิตไปหาร่างใหม่จิตไม่ได้ตายแสดงว่าจิตเป็นอัตตาหรือคะจิตไม่เป็นอัตตาหรืออัตตาจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นสภาวะธรรมอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนดินน้าลมไฟ จะเป็นเรียกมันว่าอัตตาหรืออนัตตาเหมือนก็ไม่ใช่มันเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกับลมลมพัดลมนี่เราไปเรียกมันว่าเป็นอัตตาหรืออนัตตาก็ไม่ได้มันไม่มีทั้งอัตตาและไม่มีทั้งอนัตตามันเป็นธรรมชาติจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นหนึ่งในธรรมชาติของธรรมชาติที่ทําให้เกิดสิ่งต่าขึ้นมาในโลกนี้ก็คือธาตุหก ได้ แ, แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้คือจิตและธาตุอวกาศคือความว่าที่คือสิ่งที่ทําให้มีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มีการมีส่วนใดส่วนหนึ่งของธาตุทั้งธาตุเหล่านี้ไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติ คุกันวิชาครับกาบเรียนถามพระอาจารย์เวลาจเจริญสติจะรู้สึกแน่นๆหน้าอกและรู้สึกถึงการเต้นหัวใจแรงและชัดเจนมากเ mm hmm. ก็ตามรู้อาการนี้ไปถูกต้องไหมคะอาการนี้ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆตลอดมาค่ะไม่ควรที่จะไปตามอาการเราควรจะตามตามตามอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องเจริญสติเช่นถ้าเราใช้พุโทโธเราก็ตามพุโทโธไปพุโทโธ ถ้าเราเคลื่อนไหวดยร่างกายอเรียบท่างๆของร่างกายก็ให้อยู่ที่เอเรียบทการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าไปสนใจอย่างเป็นการเต้นแรงของหัวใจหรืออะไรก็ตามหรือถ้าเรานั่งดูลมหายใจก็ก็ให้ตามลมหายใจเข้าอย่าไปตมามอาการอื่นๆที่ปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ถูกใจไว้อารมณ์ที่เราใช้เป็นการเจริญสติ คุณนุตตี้ครับการเป็นถามพระอาจารย์ค่ะการเจริญมรณสติในบางครั้งมีเกิดความคิดอยากหยุดความพยายามไ ข, ขว่คว้าในหน้าที่การงานในทางโลกอันนี้ผิดไหมคะไม่ผิดหรอกเพราะว่าไปไปไปขว่คว้าหาอะไรแล้วตายไปเอาอะไรไปได้บ้างตายไปก็เที่ง่ายคนอื่นหมดมีก็ต้องทุกข์กับมันมีก็ต้องคอยดูแลรักษาต้องรักต้องโหยงต้องห่วง สู้ไม่มีอะไรดีกว่าพียแต่ว่าเราใจเรามันถูกกิเลสคอยสั่งให้มีแล้วเราสู้มันไม่ได้ยังไปท่าทของความอยากยังอยากหาความสุขจากภาพนุษย์สารแสจากรูกรียกงกิน่นรดต่างๆมันก็เลยทำให้เราหยุดมีการไขวยคว้าหาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าเราหยุดได้ จริงๆนี่มันจะสบายอยู่เฉยๆอะไรจะสบายเท่ากับารอยู่เฉยคุณเอกสรีครับขอความกรุณาพระอาจารย์สอบถามเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจําวันยกตัวอย่างเช่นหากกาลังนั่งรถก็ใช้อานาปานาสติดูลมหายใจเข้าออกอยู่แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าอากาศเย็นด้วยรู้สึกว่ารถมันเคลื่อนที่ผ่านไปในที่ต่างๆด้วยมันถูกต้องหรือเปล่าคะหรือจะต้องยึดอันเดียวคะ ต้อยึดอันเดียวต้องยึดหยุดกับลมหายใจอย่างเดียวถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ามีอากาศเย็นแม้ว่ารถมันผ่านไปก็อย่าไปสนใจให้พยายามเกาะอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวแล้วต่อไปจิตมันก็จะไม่ค่อยรับรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงแม้จะมีอยู่มันก็ไม่รับรู้เพราะมันจะจอดอยู่ที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวจะรับรู้อยู่ที่ลมหายใจพียดจิตถึงจะสงบได้ถึงยันยิ่งได้ คุณจุฬาลักษ์ครับกลับเรียนถามพระอาจารย์คนเราตายแล้วจะไปเกิดเลยไหมเจ้าคะหรือว่าต้องไปรับกรรมที่เราทําก่อนเจ้าคะใจเรามันก็พอจากมนุษย์ร่างกายมันร่างกายมนุษย์ตายไปใจมันก็จะไปเป็นโยงวิญญาณเราก็เกิดอยู่กับบุญกับบาปถ้าบุญส่งผลก็จะไปเป็นเทพทันทีถ้าบาปส่งผลก็จะไปเป็นเปรเป็นนักเสรกาหรืไปนรก แล้วก็ไปเราเกิดเป็นเดชะมันเกิดทันทีเกิดนั้นพอบ่นลงหายใจก็ลงเวียน ญ, ญาณก็ไปเลยเป็นเทพไปเลยเป็นมาร เ, เป็นเปรตไปเลยไปเป็นนรกไปเลยครับอาจารย์ครับแล้วอย่างเรื่องที่ก็ตายแล้วไปเจอยมบาลอย่างนี้มีไหมครับอาจารย์ครั บ, รบไม่มีหรอกยมบาลไม่มีอันนี้เป็นเพียงแต่ทิฏานเขาเล่ามาให้ฟังนั่นเอง อาจจะเป็นนิมิตคนฝันไปเพราะเวลาคนตายเวลาคนตายนี่มันนอนหลับแล้วมัฝันไปให้จิตลองจิตกับปูุงแต่งว่าได้ไปเจอนน่นเจอนี่นแต่มันไม่ใช่เป็นความจริงไม่มีโยมาบาลไม่มีมารไม่มีอันนี้เป็นสมมุติที่เราสมมุติเกี่ยวกับที่เรานึกคิดกันปรุงแต่งขึ้นมาม่นาอนอกครองให้เราปูุงแต่งว่าเออแล้วโลกมันก็ต้องมีคนซ่อนเร้นโลกเรา ก, ก็ตั้งชื่อเร้น ล, ลกมาก คนพ่อเนรบพยมมาบาทแต่จริงเนรกไม่ดีเนรบ ก, ก็เกิดใจของเราที่ทุกร้อนเรื่อยบาปกรรมที่เราทําไว้นั้นแต่คุณปุ๊กกี้ครับการธรรมส ก, การพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิแล้วลมหายใจจะแผ่วไปเรื่อยๆจนเหมือนจะหมดลงแล้วกลัวหายใจไม่ออกกลัวตายคะ่ะไม่สามารถที่จะฝึกให้ผ่านจุดนี้ไปได้สักทีโยมต้องทอํายังไงหรือพิจารณาอย่างไรต่อเจ้าคะ่ะก็รู้ว่าคนที่นั่งสมาธิด้วยการเดินลมหายใจก็ไม่มีใครตาย เห็แม่ลมจะแผ่วขนาดไหนก็ตามก็ให้รู้ว่ามันเป็นสภาพของลมคือร่างกายของเราถ้าเราเม่ถ้ามันไม่ทํางานมันก็จะลดปริมาณ ก, การใช้ลมหายใจลงไปเหมือนกับพวกกบจําศีลสัตว์ที่มันจําศีลในหน้าหนาวนี้มันก็แทบจะไม่หายใจแต่มันก็หายแต่มันหายใจน้อยเพราะมันร่างกายไม่ต้องการลมหายใจแต่ในเวล า, านั่งสมาธินี้ ก็เช่นเดียวกันพอเรานั่งเฉยๆเป็นนานๆข้าร่างกายก็ไม่ต้องใช้พลังงานไม่ต้องใช้ไม่ต้องทํางานปริมาณของลมที่ต้องการก็จะน้อยลงไปแต่มันไม่หายมันไม่ตายหรอกไม่ต้องกลัวผมพระพุทเจ้านั่งสมาธิดูลมหายใจก็ก็ไม่ได้ตายครูบาอาจารย์ต่างๆนั่นก็ไม่ได้ตายลมมันแผ่วมันเบาก็ให้รู้ตาปากเป็นจิงไปจิตไม่ต้องไปกรุงแต่ไม่ต้องไปตัดใจ พรมันเป็นจุดที่จิตจะเข้าสู่ความสงบพอดีแล้วไน่รู้เฉยๆไปแ้าเดี๋ยวจิตก็จะเหมือนกับปล่อยลมเหมือนกับหายมหายใจก็เป็นเหมือนหายใจเพลือกสุดท้ายแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ภวามนิไม่มีอันตรายแต่อย่างใดรับประทานได้มีแต่ประโยชน์จะทาให้จิตใจเรามีความสมุข คำถามจะคุณนรงค์ครับทำสมาธิได้แค่สงบเป็นคณิกาสมาธิจะทำวิปัสนาอย่างไรครับนักศิการครับวิปัสนาทำตอนที่เราออกจากสมาธิแล้วให้พิจารณาทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องด้วยว่าไม่เที่ยมเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราควบคุมก้าบเขาไม่ได้เพื่อให้เราปล่อยวางเพื่อเราตัดความอยากต่างๆเพราะว่าสิ่งหนึงจากที่เราอยากมันจะต้องทำให้เราทุกข์เพราะมันไม่เที่ยม เพาะเป็นสิ่งที่เราควบคุมมัครับไม่ได้อันนี้ก็เจริญได้ตลอดเวลายกไว้เวลาที่เข้าสมาธิจันั้นที่เราไม่พิจารณาคําถามจากคุณเพนครับกาบเรียนพระอาจารย์ค่ะพ่อกินเหล้าเมาทุกวันพูดจาหาเรื่องลูกหลานทุกคนที่อยู่ใกล้จะวางใจอย่างไรค่ก็คิดว่าเป็นเหมือนสุนัขก็แล้วกันสุนัขบา ง, งทีมันก็ห่ามันก็ฮอนไปตามภาษาของมัน เราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าปล่อยมันท่ามันหอนไปคนกินเหล่าก็ไม่มีสติคก็เหมือนคนนอนนอนหลับแล้ ว, ลวระเบ้อไปเลยคนที่นอนหลับระเบ้อก็พูดจาเลยไปตามภาสาของเขาเราไม่อยากจะฟังแล้วก็เดินหนีไปกันไม่มีใครบงังคับให้เราต้องนั่งอยู่ปากตรงพอใครคุรอเขาพูดเราก็เดินหนีออกไปไปที่ไกลๆหา่างจากเสียงเขา าาเเขพูดปมครับคุณวริยาครับการบรรัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะการที่ฟังธรรมโดยเปิดเสียงดังแล้วทํางานบ้านไปด้วยได้ไหมคะได้เพียงแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกับการนั่งฟังธรรมาพราใจเราแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็อยู่กับงานที่เรากำลังทําอยู่อีกส่วนก็อยู่ที่การฟังธรรมใจของเราเมื่อไรวิ่งไปนิ่งมาฟังธรรม สองสามวิน่ากลับมาดูงานที่เราทํำสองสามวิน่ากลับไปกลับมาความทำมันก็อาจจะฟังแล้วไม่ไม่ได้ประโยชน์เต็มร้อยเพราะไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่องงานที่เราทําก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มร้อยเพราะเราไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่องดูดูมันอย่างต่อเนื่องดังนั้นควรจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าจะได้ประโยชน์เต็มที่ แต่คนณนัตตี้ครับพระอาจารย์คะอธิบายเพิ่มเติมหน่อยค่ะระหว่างทีวีกับผู้ดูทีวีขอบคุณค่ะก็ทีวีก็เป็นจอที่เราเห็นอยู่แล้วก็มีภาพปรากฏอยู่บนจอภาพและเสียงมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาภาพบนจอทีวีมันเปลี่ยนไปเรื่อยเสียงมันก็เปลี่ยนไปเรื่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นละครเป็นกีฬาเป็นอะไรต่างๆ ส่วนคนดูก็เป็นผู้ที่นั่งดูที่หน้าจอเป็นคนละส่วนกันจิตของเราก็เป็นเหมือนจอจอทีวีแล้วความคิดปรุงแต่งของเราก็ปรุงแต่งเรื่องราวให้มาปรากฏบนจอคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้นคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ส่วนจิตเป็นผู้รู้ก็รู้ตาความคิดปรุงแต่งของของความคิดปรุงแต่ง อพอความคิดปูุงแต่งถ้าหยุดได้เช่นเวลานั่งสมาธิก like, <groaning>. <c oughs> ็จะเหลือแต่คนดูจอเปล่าๆก็เหมือนกับตอนนี้เราปิดจอทีวีปิดเครื่องปิดทีวีพอปิดทีวีภาพที่อยู่บนจอก็หายไปหมดเสียงก็หายไปหมดหรือแต่จอว่างๆเปล่าๆอันนั้นแหะคือจิตเวลาสงบจะเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นจอว่างๆ แต่เป็นความเป็นจอที่มีความสุขมากเป็นสภาพที่มีความสุขมากสุงมากกว่ายิ่งตอนกว่าตอนที่มีภาพมีเสียงให้เราสัมผัสรับรูบ้สิเพราะว่าภาพและเสียงที่เราสัมผัสรับรู้นี้มันมีทั้งภาพที่ทําให้เราสุขและภาพที่ทําให้เราทุกข์ได้แต่ความว่างนี้ไม่มีความทุกข์เลยมีแต่ความความสุขเพียงอย่างเดียวคือความสงบเนี่ยการทงสมาธิก็เพื่อปิด ปิดจอปิดจอทีวีไม่ให้มีภาพมีเสียงถ้ามันว่าแล้วดูแล้วมันเบาสบายใจเช่นดูภาพดูดูภา พ, ภาพยนตร์ผีก็ใจก็ตื่นเต้นตกใจพอเราปิดจอภัพความตื่นเต้นตกใจ น, นั้นก็จะหายไปคำถามจากคุณมนธนาครับผอาจารย์มีวิธีคิดหรือการจัดเตือนสติเตือนใจคนที่ถูกบูลลี่ให้ทำใจอย่างไรคะ และจะเตือนคนที่ชอบ b u l ี่คนอื่นด้วยคําพูดอย่างไรดีคะก็คิดว่าเป็นกรรมของเราแล้วกันที่เราจะต้องมารับผลวิบัติของเราในอดีเราเคยอาจจะเคย b u l ี่ใครเข้ามาก่อนยานนี้เลยก็ต้องมาถูกเขา b u l ี่ก็บอกก็เตือนคนที่ b u l ี่ว่าคุณ b u l ี่เขาวันนี้เดี๋ยววันหน้าเขาก็จะกลับมา b u l ี่คุณได้นะ คงรขคงเลียทำสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็จะได้ความสุขจากผู้อื่นกลับมาให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นก็จะได้ความทุกข์จากผู้อื่นกลับมาอันนี้เป็นกฎแห่งกรรมกฎตายตัวจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราต่านะเมื่อถึงเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ยับยังไม่ได้ห้ามไม่ได้ คุณอัศเด็จครับสาวถามพระอาจารย์ครับสมมติว่าเราอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วแล้วญาติของเราหลังจากล่วงลับไปแล้วแล้วได้เกิดใหม่แล้วส่วนกุศลที่เราอุทิศให้ญาติจะได้รับอีกไหมครับถ้าเขาไปเกิดแล้วเขาก็ไม่ต้องรับส่วนกุศลที่เราอุทิศไปเพราะเขาสามารถหาสิ่งที่เขาต้องการได้ด้วยการหาของเขาเองไม่จำเป็นที่แล้วต้องที่จะต้องรับ ส่วนกุศลนะเพราะถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์เขาว่าไม่ต้องการกุศลนะก็ต้องการรูปเสียงกลิ่นต้องการราบดุสระเสริญให้ความสุ ข, ขเขาเขาก็จะไปหาราบยุสระเสริญแต่ในช่วงที่เป็นดวงวิญญาณนี้ไม่สามารถที่จะใช้ราบยุสระเสริญเป็นเครื่องให้มือให้ความสุขกับเขาได้เขาก็ต้องอาศัยบุญกุศลเท่านั้นที่เราสามารถส่งไปให้ก็ได้ตอนที่เขาเป็นยม แต่พอเขาไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาก็ไปหาลูกเสียงกินลแล้วหาราบเพืสดิมเสริมเพื่อให้เวื่อให้ความสุขกับเขาเอาไ ม, ม่จะมารอรับสผลบุญจากเราต่อไปจากคุณอมมี่ครับกลับเป็นถามพระอาจารย์ค่ะการสวดมนต์ก่อนนอนและอารัธนาศีลห้าสมาทานศีลห้าแล้วขณะที่เรานอนหลับถือว่ารักษาศีลได้ไหมคะไม่ได้หรอกการรักษาศีลต้องรักษาในขณะที่เราเตืน่น ในขณะที่เราจะทำผิดศีลที่เราจะโกหกนี่เ ร, เราห้ามใจแล้วว่าวันนี้เราถือศีลหน้าเราไม่โกหกแล้วเพื่อนมาชวนให้เราไปเดินสุราเราก็เราเราก็บอกไปไม่ได้เพราะวันนี้เราถือศีล น, น้าการถือศีลนี่ไว้สำหรับเวลาตื่นไม่ใช่เวลาหลับถ้าถือศีลเวลาหลับก็เหมือนให้ศีลคนตายนั่นนะ ใช่ไหมคนตายเขาก็นอนเฉยๆให้เขาสิยงให้เขาสิยงเขาก็ไม่รักษาเพราะเขาไม่เขาไม่มีอะไรที่จะรักษาเพราะเคลื่อนไหวไม่ได้เขาไม่มีการเคลื่อนไหวเสียงนี้มีไว้สําหรับเบรคใจเหมือนรถยนต์เนี่ยเราจะใช้เบรคก็ต่อเมื่อรถยนต์มันวิ่งใช่ไหมเวลาเราต้องการให้รถหยุดเนี่ยเราต้องใช้เบรคแต่ถ้ารถมันหยุดอยู่แล้วเบรคก็ไม่มีประโยชน์อะไรเช่ไ อันนี้ก็เหมือนกันเวลานอนหลับนี้หรือเวลาตาที่สีไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ได้ทําอะไรชัดเจนเลยครับพระอาจารย์คําถามจากคุณจิตตกรครับก่าธต่อราการท่านพระอาจารย์ครับน้องปั้นกําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นกับน้ําหวานน้าสีเหมือนเป็นของคู่กันซึ่งสมัยนี้ร้านสะดวกซื้อจะขายเยอะมากและถ้าดื่มมากๆจะมีผลต่อสุขภาพในภายภาคหน้าได้ก็เลยอยากจะขอกราบเรียนพระอาจารย์ว่า พระอาจารย์ใช้หลักข้อคิดข้อใดในการสอนตนที่ไม่ฉันน้ำสีทั้งๆ ท, ที่พระอาจารย์เคยใช้ชีวิตที่เมืองนอกมาครับแล้วก็วงเด็กกับน้องปั้นชมอยู่ครับผมคือสมัยที่เราเป็นหนุ่มแล้วก็เดืมบพวกเครื่องดื่มพวกน้าบัตลงเอะไรต่งางๆนีนก็เดือบไปแต่มันเราก็เดือพอประมาณนั้นไม่ใช่เดือแบบติดมันหรือมันพอ พอประมาณแต่พอมามีอายุมากขึ้นนีเราจะสังเกตว่าต้องลดประมาณน้ำเดือดที่มีน้ําตาลเพราะว่าร่างกายมันแพ้มันแสดงออกทางทางปากจะเป็นแผลในปากพอเราลดประมาณลงแผลในปากก็จะหายไปเราก็เลยรู้ว่าการเดืนดการเดือดของหวานหวานมากเกินไป ต่อความร้องกายของร่างกายก็จะทําให้เกิดเป็นพิษต่อร่างกายทําให้เป็นแผลในปากเนี่ยเราไม่ต้องไปตรวจเบาหวานนะเพราะมันเรามีเครื่องเตือนเราว่าน้ําตาลมากเกินไปหรือยังอยู่เนี่ยแล้ววันไหนมีแผลในปากก็รู้แล้วว่าอ๋อวันนี้รับประทานน้ําตาลมากเป็นไปนะต้องโรเนะี่ยแผลในปากถึงจะหายไปได้นั้นเราจะไม่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเท่าไหร่เพราะว่า มีเครื่องวัดมีเครื่องเตือนซึ่งอันนี้อาศัยการสังเกตเราอยู่กับร่างกายทุกเวลาหนะ้าที่เราจะรู้ว่าเวลาร่างกายเกิดอะไรขึ้นมานี้เราสามารถย้อนกลับไปดูว่าเกิดจากอะไรกินอาหารหรือเปล่าอาหารผิดหรือเปล่าท้องเสียอะไรอนอน น, นอนหลับไม่พอหรือเปล่ามีความรู้สึกต่างๆของเรานี้นเราสามารถดูเวลาร่างกายได้แล้วแก้ไขปัญหาได้ อันนี้ก็ต้องผัดใช้ปัญญาคอยดูนแต่ในเรื่องของเครื่องดื่มนี่มันมันเป็นเหมืนยาเสพติดลชลมาแต่เราไม่ถือว่ามันเป็นยาเสพติดคนสมัยนี้ถึงมีน้ําหนักเกินนะทุกคนเพราะการดื่มของหวานหวานมาประทานของหวานหวานมากแต่เรารู้โทษประสาม่าเกิดเป็นโรคเป็นหนักเชลมาล่เป็นโอกเบาหวานขึ้นมา หนึ่นก็ขอให้เตือนใจว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักประมาณในการรับประทานในการดื่มคือมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีดื่มให้พอประมาณส่ความต้องการของร่างกายที่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าถ้าหลายนี้ต้องคอยสังเกตรหรือว่าก็แลถา ม, ถามจากคุณจีรศักดิ์ครับ การเรียนถามหลวงพ่อครับพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านยังมีความหิวอยู่ใช่ไหมครับแต่ไม่ทุกใจใช่ไหมครับผมความยิวทางร่างกายมีด้วยกันทุกคน <c oughs> ความหิวความเจ็บทางร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นต่อพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือพวกเราบุตุชนธรรมดานี้เป็นเหมือนกันร่างกายนี้ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต่างกันต่างกันที่จิตใจของท่านจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่ทุกข์กับคา ความหิวกับความเจ็บของทางร่างกายทนหิวได้จะหิวสักสองวันจะอดสักสองวันสามวันสิบวันท่านก็ทนหิวท่านไม่ทุกกับความหิวได้จะเจ็บจะปวดแต่เมืนอตอนนี้ท่านก็ไม่ทุกกับความเจ็บปวดของร่างกายแต่ถ้าเป็นปุถุชนนี่จะทุกข์เวลาหิวนิดหนึ่งก็จะทุกข์แล้วหรือเวลาเจ็บเจ็บนิดหนึ่งขึ้นมาก็จะทุกข์แล้ว งมันนตรนี้คําถามจากคุณจาลึกครับกลับเป็นถามพระอาจารย์ค่ะคําว่าระลึกถึงพระคุณพระตาไตรคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะต้องเลิกคําพูดยังไงคะกลับขอบพระคุณค่ะคือเราลึกถึงคุณสมบัติของร พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เราเลิกว่าพระพุทธจ้านี้ท่านเป็นใครเราถึงกล่าวไหว้คุณชาพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ตัดรู้อริยสัจสิ ควิมี่ายพวกจิตใจของผู้ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในกองทุกข์นี้ได้หลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงแล้วก็หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสโลความรู้ดี้แ้วกามาเผยแผ่คําสอนคําสอนที่พระเจ้าทรงเผยแผ่เราก็เรียกว่าพระธรรมพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็คือคําสอนที่สอนให้เรารู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไป ด้วยการปฏิบัติทานสิงภาวนาหรือสิงสะบาคีปัญญ า, า, านี้ส่วนพระสงฆ์พระอนิสสงสาวกของพระเจ้าก็คือผู้ที่มีศรัทธาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปัวได้บรรลุเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้านี่เกิดคุณสมบัติของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เราควรที่จะ ศึกษาให้ถ่อแท้ให้เข้าใจเมื่อเราเวลาเราจะกราบไหว้ท่านเหลนี้เราจะได้รู้ว่าเรากำ ล, กลังกราบใครสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นของที่าหาได้ง่ายในโลกเ ป, เป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีประเสริฐกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถปลาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะทําได้ เราเห็นเขาเราท่านเป็นเป็นเป็นเหมือนอาจารย์ท่านเป็นเหมือนอาจารย์เป็นผู้คอยสอนคอยสอนเราเป็นแบบฉบับอันดีนาะที่เราควรที่จะเอามันยึดใช้กับส่วนเราเพราะถ้าเราสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านได้ปฏิบัติตามาได้เราก็จะเป็นเหมือนท่านนะเราก็จะหลุดพ้นจากการภาพทุกข์ทั้งหลายที่มีในใจของเราได้อาจารย์ครับพระรัตนไตรนี้ในส่วนของพระสงฆ์นี้ หมายหมายแคงเฉพาะสาวกกระส ง, งเท่านั้นเลยใช่ไหมาาารครับอาจารย์เป็นธาตุยาสีบุคคลเนี่ยสโซดาบันสกีดาคาเมียนาคามียอะไรที่ส่วนคุนี่ยคุณเนั้นสักขคุณเนี่ยมีบุคคลส<อ>ี่มีบุคคลสี่ประเภทแปดคู่ค่ะผมคือโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลหนึ่งคู่สกีดาคามีมากสกีดาคาหนึ่งคนโดยการใช้ป้าลาครับผมครับ มีสี่บุคคลแต่ทั้นแบ่เป็นสองระดับระดับที่กําลังสร้างคือมร์พอสร้างสําเร็จก็เมี่าผมผมจะเป็นพระโสดาบานได้ต้องต้องต้องสร้างความเป็นโสดาบานขึ้นมาด้วยการเจริญปัญญาละสัมโยตสามข้อพอละสัมโยตสามข้อได้ขณะที่กําลังศึกษาเพื่อขณะที่กํำลังจะเตรียมละหรือกําลังต่อสู้เพื่อละสังขารนีนะ้เรียกว่ามร์ พอทาได้สาเร็จน่าสัญญ์ได้สำเร็จเก็เรียกว่าผลมีอยู่สี่ระดับด้วยกันโนนามัติยาคามีนาคามีรักอาอัลลาครับสมมติส่งนี้ไม่ได้รวมอยู่ในปรัณนาใจนะครับ อ, อ๋อไม่หรอกอุตุชนนี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นพรัตนาใจเพราะยังสอนให้ผู้อดหนุพ้นจากความทุกข์ไปแล้วเองดยังไม่รู้จักวิธี ตัวเองยังไม่สามารถทําให้ตัวเองหุคพ้นพจากความทุกข์ได้จะไปสอนผู้อื่นให้บุดพ้นได้อย่างไรแต่เราชาวพุทธก็ให้ความเคารพใครก็ตามพอมาหอมพระเหลืองแล้วเราก็ยกให้เกียรติท่านว่าท่านอย่างน้อยท่านก็เป็นเป็นเหมือนนักศึกษาและนักศึกษาที่จะไปเป็นพระอริยสงฆ์หรือเป็นนักศึกษาแพทย์ที่จะต่อไปจะได้ไปเป็นแพทย์แต่ตอนนี้ยังเป็นนักศึกษาแพทย์ แลก็อยู่ที่ว่าจะเรียนจบหรือไม่จบด้วยบางคนบวชมาเป็นสิบสิบปีก็ยังไม่จบเพราะว่าทะเลทลายไม่ไปเรียนไม่ไปไม่ปเรียนไม่ปปฏิบัติเมื่อแต่ไปทำภารกิจอย่างอื่นเสียก่อนก็เลยไม่ไม่บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์เสียทีเป็นสมมุติสงฆ์ไปเป็นปุถุชนสงฆ์ไปเรื่อยๆแต่เราก็ให้เกียรติในการกราบไหว้บูชาท่านแต่เราจะไม่ศึกษาจากท่านเพราะเรารู้ว่าท่านสอนเราไม่ได้ ในเมื่อตัวท่านเองยงสอนให้ตัวท่านเองไม่ได้แล้วท่านจะไปสอนคนอื่นได้อย่างไรับเดี๋ยวเวลามาสอนคนอื่นก็มีปัญหาตามมานะในการวิพากษ์วิจารว่าเหมาะสมไห ม, มสอนอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละก็เพราะว่ายัางสอนตนเองไม่ได้และจะไปสอนคนอื่นได้อย่างไรคําถามจากคุณสุวิชาครับ ทำไมจิตสุดท้ายก่อนเสียชีวิตจึงมีผลต่อการไปสู่สุขคติหรืออบายภูมิครับอาจารย์เพราะว่ามันเป็นเป็นเหมือนเหมือนคุณขับรถมาสุดทางแล้วเนี่ยหรือนั่งนั่งเครื่องบินมาลงที่สนามบินแล้วคุณจะไปไหนต่อเขาไม่ให้คุณนั่งในสนามบินแล้วใช่ไหมไม่ให้คุณนั่งอยู่ในเครื่องแล้ใช่ไหมพอเครื่องบินจอดเขาบอกไปได้แล้วคุณจะไปไหนก็ไปอันนี้ก็เหมือนกันพอร่างกายตายครับ มันก็บอกให้จิตไปท่าแ้วอยู่กับร่างกายต่อไปไม่ได้แล้วไปไหนก็ก็อยู่กับบุญเกียรบาปที่คุณได้ทำเอาไว้คุณ่อมเขียวหวานครับกลับยนถามพระอาจารย์ทรัพย์สินที่ได้มาจากมารดาโดยความเต็มใจของท่านแต่ท่ามกลางความไม่พอใจจากญาติพี่น้องทั้งหลายทําให้เรามีความทุกข์ใจแบบนี้ควรปล่อยวางแบบไหนและทรัพย์สินนี้เรียกว่าทุกขลาภไหมคะถ้าเราทุกกับมันก็เป็นทุกขลาภ ถ้าเราไม่ทุกกับมันก็ไม่เป็นทุกข์กับเราก็มองเชว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้รับจากท่านมาด้วยความเมตตาของท่านถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ที่จะไปะใช้เล่ใช้กลเพื่อให้ท่านมอบให้กับเราท่านให้ด้วยความพอใจของท่านเองโดยที่เราไม่ได้มีส่วนนี้เราก็ไม่ควรที่จะไป มีความทุกข์ใจเพราะเป็นเรื่องที่เราห้ามท่านไม่ได้เหมือนเหมือนพระพระรูปเลยท่านได้ขอจากศรัทธาญาติโยมมากบามรูปก็ได้นิดเดียวครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของศรัทธาของผู้ที่เขาให้อจาจะศรัทธาพระรูปนี้มากกว่าศรัทธาพระรูปนั้นเข า, าให้พระรูปนี้มากกว่พาพระรูปนั้นมันก็เป็นเรื่องของศรัทธาเรื่อคุณงามความดีของพระรูปนั้นไป ก็เหมือน ก, นกับพี่น้องเนี่ยบางทีพ่อม่ให้ไม่เท่ากันก็เพราะพ่อแม่เห็นความดีของแต่ละคนไม่เท่ากันก็เลยให้ให้มากให้น้อยตามความดีของแต่ละคนส่วนพี่น้องเขาจะมาอิจฉานิสยัยหรือเขาไม่พอใจนี้เราก็ห้ามเขาไม่ได้แม่ให้เงินเราเราก็ห้ามแม่ไม่ได้แต่เราควรห้ามใจเราทับใจเฉยๆว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราเรามไม่ได้ไปทําอะไร ให้ใครเสียหายเดือดร้อนเราไม่ได้ไปขอแม่ให้ให้แม่ให้เงินให้ทองแ้วอันนี้มันมาด้วยด้วยด้วยความเป็นธรรมชาติของมันก็แล้วแต่น้นฝนตกมันจะตกแล้วก็ห้ามมันไม่ได้เราไ็อยู่ประมาณไปคบถามจากคุณบาร์ครับการน้ำพัสการพระอาจารย์ค่ะช่วยอธิบายข้อปฏิบัติมักมีองแปลกค่ะ คือมั้มีองแปดนี่ก็คือทานศีลภาวนาเนี่แหละ<ม>เห็นแต่ว่าเราเราเราย่อมันลงมาแต่ถ้าถ้าเป็นรายละเอียมันก็ในมักที่มีองปดนี้ไม่มีทานลงเหมือนด้วยเพราะว่าท่านสอนสอนพระเป็นศีลสมาธิปัญญา มักสองข้อแรกที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปองนี้เป็นองค์ประกอบของปัญญาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นในนามิยะสัจสี่เห็นใจรักในเรียกว่าปัญญามีความเห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์ว่าเป็นโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกของการเป็นโลกเป็นสิ่งที่เราก็กุมบังคับไได้คือการเห็นใจลักนั้นเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องข้อที่หนึ่ง พอรามีามนที่ถูกต้องเราก็จะคิดด้วยความถูกต้องคิดตามว่าตรกนี้ไม่มีอะไรทท่งแท้แน่นอนเราก็ไม่ไปยึดไ ป, ปติกเราก็คปล่อยวางนี่ว่าสัมมาสัมมาสังกัปโปะ ค, ความคิดที่ถูกต้องส่วนสัมมาข้อที่สามคือสัมม า, า, า, มมาวาจาสัมมาวาจาก่อน เพราะว่าสมาธิจะบอกให้เรารู้ว่าการพูดนี้มีทั้งเป็นคุณและเป็นโทษถ้าพูดพูดปดก็จะเป็นโทษพูดความจริงก็จะเป็นประโยชน์สมาวาจารก็จะบอกให้เราไม่ให้พูดนะไม่ให้พูดคาหยาบไม่ให้พูดเพราะจะไม่พูดสอสิเพราะจะทำให้เกิดโทษกับเราและกับผู้ได้ กามีสัมมาวาจาก็คือมาจากการมีสัมมาสมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็มาจากความคิดที่ถูกต้องเพราะรู้ว่าพูดคําอยางพูดพูดผลไม่ไม่ดีเราก็คิดเราก็ใช้ความคิดมาต่อไปนี้เราจะไม่พูดผลสกสังขารถ้าจะพูดให้พูดความจิตนี่คือข้อที่สามข้อที่ 4, สี่สัมมารกรรมโตคือการกระทําที่ถูกต้อง ทางกระทำทางกายของเราก็มีทั้งคุณมีทั้งโทษสิ่งที่เป็นโทษเราก็อยากทําเช่นฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดประเวณีเดื่ดสุอนยาเมาอันนี้ก็เป็นมารข้อที่ 4, สี่สัมมากมัมมตโตมารข้อที่ห้าก็คือสัมมาอาชิวโวการหาการเลี่ยงชีพที่ถูกตามว่ามีทั้งแบบที่เป็นโทษกับเป็นไม่เป็นโทษการเลี่ยงชี้ที่เป็นโทษต่อผู้อื่นก็คือ การเอาเอาขายของที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่นเป็นขายซิราขายยาพิษขายอาวุธหรือขายสิ่งที่มีชีวิตเช่น้ราขายเราเลี้ยงไก่เพื่อที่เขาเอาไก่นี่ไปขายเพื่อเขาจะได้ค่ามเป็นอาหารก็เป็นอาชีพที่ไม่ไม่เหมาะสมที่คนอยะปฏับัติอย่ย า, ามาทำอาชีพแล้วข้อที่ หกก็คือสัมมาภาวะวยามโมคือความเพียรความเพียรกายานความเพียรที่ถูกต้องอสอนให้เราเพียรทำทาบุญพอ ท, ทำบุญมีคุณมีประโยชน์สอนให้เราเพียรห น, าา น, นา้ากากราทาบาปพอทําบาปน่าจะเําไม่เกิดโทษแล้วก็สอนให้เราเพียรชำาช้าใจของเราให้สะอาดด้วยการเจริญภาวนา การเจริภาวนาเราก็ต้องมีสติแล้วก็เรมามามาักองข้อที่6กใช่ไหมที่เจ็ดน ะ, ะสมัมสมาดีสัมมาสติเราต้องมีสัมมาสติคือต้องเจริญสติเอามีความเพียรในการเจริญสติเพื่อจะได้ใช้สตินีมาทำใจให้สงบให้เป็นสมาทิ พอใจสงบเป็นสมาธิใจนิ่งสงบเป็นสมาธิแเราก็ได้สมาสมาธิมีก็เป็นมแปดองค์ด้วยกันดี่จะพาให้เราชำระความทุกข์ต่างๆชำละปิเลตปัญหาที่มีในใจของเราให้หมดไปคุณกรครับเมื่อหกปีก่อนพ่อป่วยเป็นมะเร็งมีความเสียใจช่วงเวลารักษาเราดูแลท่านเต็มที่ เมื่อคุณพ่อเสียไปแล้วกลับไม่มีความเสียใจแต่จิตใจกลับเบาและนิ่งสงบค่ะเป็นเพราะจิตระวังได้หรือเปล่าคะถูกต้องเป็นเพราะว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วและเราไม่มีความรู้สึกว่าเราบกพร่องถ้าเราไม่ทําแล้วโนทีลาจะมานั่งเสียใจในภายหลังว่าโอ้เราปล่อยปล่อยปากน้าเลยหน้าที่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ของเราเท่าที่ควรแต่ถ้าเราได้ทําเต็มที่ในการทำที่ท่านมีชีวิตอยู่แล้ว เวลาท่านจากไปเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจไปทําได้คุณเพ็ญพันธ์ครับตอนนี้มีความทุกข์จากสังขารที่เปลี่ยนไปของแม่รู้สึกสงสารแม่ที่เป็นแบบนี้จะทําอย่างไรดีคะคเข้นนมามองกิดมาที่สังขารของเราต่อไปสังขารของเราก็าเราเป็นแบบนี้เหมือนกันเราห้ามมันไม่ได้สิ่งแล้วสิ่งที่เราทําได้ก็คือยอมรับมันใจของเราก็จะสบบจงบใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับ ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีใครห้ามร่งางกายให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายไม่ได้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราดูความจริงอยู่เรื่นนในร่างกายของเราก็จะยอมรับยอมรับร่างกาของเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์ห ร, รือสงสารเพราะมันไม่มีไม่มีอะไรที่เราจะทำได้เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกาย คำถามจะคุณเปตองครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับพระปลุกเสกเครื่องรางของขลังหรือพระเครื่องได้ไหมครับคือมันไม่ได้เป็นคําสอนเลยมากแบบนี้น ม, มากแบบไม่มีสอนเรื่องปุกเสกทำเครื่องางของขลังลอะไรต่าง่างั้นก็ไม่ถือว่าเป็นคําสอนของพระอาจารย์ผู้ที่ทําเรื่องของพวกนี้ก็เลยไม่ไม่ถือว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คุณวิไลรัตครับตั้งใจจะบริกา ร, รพุโทโธขณะที่อยู่ว่างๆหรือทําอะไรที่ไม่ได้ใช้ความคิดทําได้สองถึงสามนาทีคําบริกา ร, รมมันก็หายไปไปคิดเรื่องอื่นแทนนึกขึ้นได้ก็บริกา ร, รพุโทโธขึ้นมาใหม่มันก็ได้แค่สองสามนาทีแล้วก็เหมือนเดิมจะทําอย่างไรดีคะให้เจริญสติได้อย่างต่อนเนื่องพระอาจารย์ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนอย่าหยุดะะนะพอระลึได้มาแล้วก็บริการทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะมีความรู้สึกตัวมากขึ้น แล้วมันก็จะบริกรรมได้ไม่ยาวขึ้นตอนต้นก็ต้องเริ่มต้นจากน้อยไปหามากก่อนนั้ถ้าเป็นเหมือนเด็กก็ต้องคลานก่อนแล้วค่อลุกขึ้นมายืนแล้วค่อยเดินแล้วค่อยวิ่งต่อสติก็เป็นลักษณะนีใหม่ๆก็ได้แค่สองสามนาทีต่อไปถ้าเราทําอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นสี่ห้านาทีเหมือนนี้ก็จะยาวไปเรื่อยๆถ้าเรามีความเพียรพยายามไม่ยอมท้อไม่ยอมหยุด ทไปไเรื่อคําถามจากคุณอีเลียครับกรทำพิธีกา ร, การพระอาจารย์ก่อเรียนถามพี่น้องชี้หน้าด่าแม่แท้ๆต่างๆนานาแถมท้ายว่าเกลียดแน่เราเตือนสติว่าจะไปเอาใบภูมิก็ไม่เชื่อพระอาจารย์มีคําแนะนําไหมครับก็ต้องปล่อยเข้าไปล่อห้ามก็ไม่ได้เราบอกกขาแล้งเพื่อให้เขาได้สติแต่ถ้าเขายังไม่ได้สติกับคืนมาเขาจะด่าต่อไปก็เป็นกรรมเข คุณนันันครับกับเรียนพระอาจารย์เจ้าข่าคนที่เขานับถือศาสนาคริสต์ชอบมาชวนเข้าเข้าเข้าเขาบอกว่าพระเจ้ายกโทษกรรมทุกอย่างให้ได้ไม่มีโอกาสตกนรกและจะไม่ลำบากจริงหรือคะไม่จริงหรอกแม่แต่แตแตถ้ศึกษาคำสอนคงศาสนาเพียบจริงๆแนละ้วพอรนะับคือถ้าเรายอมถ้าเราเชื่อพระเจ้าแนละ้วเราก็ต้องปฏิบัติตามคาสอนของพระเจ้าไงก็ได้ ท่านก็สอนให้ไม่ทำบาปนะครับไม่ว่าถือเชื่อพระเจ้าแล้วยังไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ไม่ใช่ศา ส, สนาเขาก็สอนไม่ให้ฆ่าไม่ให้รับทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีเหมือนกับศาสนาพวกนี้อันนี้ศาสนาที่ทาให้เขาไม่ไปนรกไม่ใช่เพราะว่าเขาเชื่อในพระเจ้าแล้วพระเจ้ามาล้างบาปให้ให้เราได้อันนั้นเป็นไปไม่ได้ คุณวริยาครับกลาวสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกส่งเสียหลานที่กำพร้าให้ได้มีการศึกษาเวลาให้ทั้งค่ากินรายอาทิตย์และค่าเช่าห้องเวลาให้ไปไม่คิดว่าเสียดายเลยอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลไหมคะเป็นทำให้แล้วเรามีความสุขใจดีใจนีถ่ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลจากคุณสนิทครับกล่าวเรียนถามพระอาจารย์ตอนมีชีวิตอยู่เขาทําบาปมากฆ่าสัตว์เสียชีวิตไปจะทํายังไงจะให้ได้รับส่วนบุญเจ้าค่ะ ก็อยู่ที่ว่าเขาสามารถมารับได้หรือไมเพราะถ้าเขาทำำํากรรมหนักนั้นเขาจะไปติดคุกในในโลกในโลกชีวิซึ่งเราเรียกวัานนรกถ้าไปตกนรกนั้นก็มารับส่วนบุญไม่ได้ต้องรอให้เขาปล่อยออกจากนรกมาเป็นขอทานเพราะคนที่ออกจากนรกก็จะไม่มีเงินทราติดตัวออกมาก็ายังมาเป็นขอทานมาขอส่วนยุญเพรานั้นน่ะก็จะรับส่วนบุญที่เราส่งไปให้เขาได้เพราะฉะั้นเรา เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะมาเรารับถุงม่ต้องรอให้เขาส่งสัญญาณมาหาเร า, า, ามาเข้าฝันแเราถ้าเข้ามาเข้าฝันนั่นเขาบอกว่าอันนี้เขาเดืเร้อยมากช่วยเหลือเหน่อยแล้วก็ค่อยส่งไปให้คำถามจากุณออสการครับกลับเรียนถามพระอาจารย์เมื่อร่างกายเรามีความเจ็บป่วยมันก็ทําให้คิดถึงความตายว่าเกิดมาก็ต้องตายอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่แท้จริงในใจเราก็กลัวความตาย ดังนั้นเบื้องต้นเราจะฝึกมรณาสติอย่างไรครับในเมื่อเรารู้ว่าแท้จริงคือเรากลัวความตายไม่ไมมันก็กลัวแต่ถ้าเราเล่อยูบ่อยๆความกลัวตายมันก็จะค่อยๆน้อยลงไปนล้ถ้าจะทำให้มันน้อยลงไปได้ง่ายและเร็วก็ให้เราฝึกทำสมาธิไปด้วยเพราะการฝึกทาสมาธิจะทำให้ใจเราสงบนิ่ง แเวลาใจเราสงบนี้ใจเราจะไม่ยุ่ยวายไม่เดือดน้อนกับความตายจะไม่กลัวความตายนี่เราก็ อ, อาศัยการเราเล่นถึงความตายนี้บ่อยๆมันก็เป็นเหมือนการทําสมาธิเ้องการเราไม่นถึงความตายบ่อยๆจะทําทให้จิตสงบสได้หนี่มันเราเล่นถึงมันบ่อยๆรับประกันได้ว่าจิตของเราจะสงบมากขึ้นมากขึ้นแล้วความกลัวตายก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปตามมา จากคุณลักษณะครับ ก, บ ก, กรารรัศการะ้าจารย์ค่ะการตัดสินใจให้ยามอร์ฟีนให้คุณแม่เพื่อให้ท่านค่อยๆจากไปอย่างสงบในช่วงวาระสุดท้ายเป็นบาปไหมคะไม่เป็นหรอกก็เป็นการให้ยาบรรณความปวดเท่านั้นไม่กินยาเมื่อตอนนั้นข้าดจะกินยาไม่น่านก็ให้ให้ยาฉีดครับคุณตาหวานครับเรียนถามผ้าจารย์ค่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอนัตตาใช่หรือไม่คะขอบพระคุณค่ะ คือธรรมะมันไม่ได้มีอัตาตาเรื่องหน้าตาอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นคําสอนไอ้ที่เราว่าอัตาตาเรื่องหน้าตานี้คือหน้านกายของเราที่เราไปยึดไปถือว่ามันเป็นตัวตนซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นตัวตนมันก็เป็นธรรมชาติเหมือนธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้ามันก็เป็นธรรมชาติอย่าแต่เราไปแยกมันออกจากธรรมชาติมาเป็นตัวเราของเรา มันจะยากมให้เรามามองให้เห็นมันไม่ใช่ตัวเราของเราเพอจะได้กลับคืนร่างกายไปสู่ธรรมชาติทั้งพราะเราเราจะได้ไม่ทุกกับมันเรามาไปอทุกกับธรรมชาติใช่ไหมเราไม่ค่อทุกข์กับน้าำดินฝนตกแดดออกลมพัดอะไเพราะมันเป็นธรรมชาติแต่เพรร่างกายเรานี่เราไปทูกกับมันเพราะเราไปถือว่ามันไม่เป็นธรรมชาติความจริงมันเป็นธรรมชาติเหมือนกับฝนตกแดดออกนีๆๆ้แหะ เรามาสอนใจให้ซีความเห็นในร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติยันส่วนครับส่วนธรรมะพรเจ้านี่จะเป็นอนัตตาแล้วไม่เป็นหนาตาไม่ไม่ใช่เป็นประเด็นเพราะเราไม่ได้ยึดเป็นจิตว่าเป็นหนาตาหรืออนัตตาคาสอนก็เป็นคำสอนแค่นั้นเองคือไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมามาพิจารณาให้เสียเวลาเปล่ป คุณชาวินครับกราบถามพระอาจารย์ครับห้ามสวรรค์ห้ามมิพานเฉพาะชาตินี้หรือทุกๆุกชาติครับขอบคุณครับก็แล้วแต่ว่าเราเราทําบาปทุกทุกชาติเราก็ห้ามสวรรค์ห้ามมิพานถ้าเราหยุดทําบาปเมื่อไหร่เราก็หยุดห้ามสวรรค์ห้ามมิพานแต่เราต้องทำอํำบุญด้วยถึงจะไปสวรรค์ไปมิพานได้การไม่ทําบาปนี่อย่างเดียวนี่เพียงแต่ห้ามไม่ให้เราไปเกิดในบาปทั้ง แต่การที่เราจะไปสวรรค์นี้นอกจากการไม่ทำบาปแล้วเราต้องทําบุญและต้องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราต้องไปสวรรค์ไปนาได้คุณชุลีรัตน์ครับกับเรียนถามพระอาจารย์การทําบุญลงศพทุกเดือนเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้คนอื่นบุญกุศลนี้จะส่งผลบุญถึงวิดามานดาที่ล่วงรับไปแล้วหรือไม่คะได้ถ้าเราอุทิศเราต้องอุทิศ แต่เราเราทำบุเสร็จแล้วเราก็ต้องอุทิศว่าก้อที่ส่วนนุนแห้กับคนนั้นถ้าไม่อุทิศนี่ก็เหมือนกับเราไม่ไสุงไปจากคุณโดมินิกครับขออนุญาตถามนอกหัวข้อค่ะสงสัยมานานเคลียร์คำว่าผีเข้ามีจริงหรือไม่คะตอนวัยรุ่นเคยเห็นได้ยินญาติในบ้านเสียงพูดเปลี่ยนไปเป็นเสียงเด็กกริยาท่าทางเปลี่ยนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ขณะนั้นไม่ใช่ญาติเรา ไม่ใช่ล่ะจิตจิตมันเปรีป่ยนไปจิตมันขึ้นไปเป็นใครเป็นปกติเป็นอย่างนี้แนละ้วพอมันมันขาดสติหรืออะไรไปไปกระต้นมันเข้ามามันก็เลยพลินไปเป็นอีย่างเราก็เรียกว่าผีเข้ามาเข้าส่งว่างนี้แต่เป็นตัวจิตที่เปลี่ยนะเป็นสภาพของมันไป คุณกิกกี้ครับกล่าวต่อท่าะอาจารย์ค่ะต่อจากอันเก่าที่เคยสอบถามพระอาจารย์ไปที่ว่าคนที่มีบารมีมากคือคนที่เคยทํากรรมดีไว้มากแสดงว่าคนที่มาเกิดในโลกมนุษย์ต่อให้มีกรรมดีเยอะบารมีมากก็ต้องมีกรรมไม่ดีเยอะเช่นกันถึงจะมาเกิดในโลกมนุษย์ได้อันนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะหรือหากเป็นเช่นนั้นแล้วพอจะมีแนวทางปฏิบัติไหนบ้างที่จะทําให้กรรมไม่ดีพอจะหมดไปหรือเบาบางได้บ้างเจ้าคะ อันนี้เราก็ไม่ไม่ได้ดกินมาก่อนนะเพราะเพราะเพราะเราเมื่อกว่ากติเราคนทํากรรมยิม่งน่าจะทํากรรมชั่วน้อยเพราฉะนั้นมันมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคนที่มีบุญมากก็แสดงว่าทําบาคน้อยคนที่มีบามากก็แสดงว่าทําุญน้อย คุณสุรสักครับขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เวลาตัดต้นไม้ยืนต้นริมรั้วบ้านบาปไหมครับไม่บาบต้นมไ ม, ม้ไม่มีไม่มีดวงวิญญาจะบาบเมื่อเราทําร้ายสิ่งที่มีดวงวิญญาเช่นสัตว์หรืมนุษย์คุณวันร้ายกราบเรียนพระอาจารวัดจะชะโคตสูตรห้ามคนให้ทานเหมือนโจรปล้นบุญ ข้อหนึ่งทำอันตรายบุญของผู้ให้ก้อนสองทำอันตรายลาภของผู้รับข้อสามในเบื้องต้นตัวเขาเองคนห้ามย่อมถูกกําจัดและทําลายถูกกําจัดและถูกทําลายแปลว่าอย่างไรครับ อ, นนอ<ร>าจารย์ท่านเข้าใจผมยาวคือไม่ควรไปห้ามคนที่ก็ทําบุญทำทานเพราะคนทําบุญทำทานนี้ก็าทำความดีเข า, ข า, เข า, ขขาไม่ได้ทําความเสียหายใ ห, ให้กับใครท่านพระพจะเปรียบทียว่าอม เป็นอานตรายบุนของผู้ให้ก็คืไปไปห้ามไปไปห้ามผู้ทําบุญให้ได้บุญนั่นเองแล้วทาให้ผู้ที่ควรจะได้ครับสิ่งที่คนทาบุญได้ก็ไม่ได้ครับายามงับหน้าของคนที่ควรจะได้ในวันนี้จะทําบุญให้คนนี้จะแบ่งเงินให้คนนี้หน่อยเราไปห้าม คนไทยก็ไม่ได้รู้นับ ก, ก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนที่คนไทยจะให้แต่วดูเขาเองคนไทยย่อมถูกคําจัดและทําลายก็อาจจะไม่อาจจะไม่เข้าใจเขาถูกคําจัดและทำลายอย่างอาจจะอาจจะถูกคนอื่นเขาไล่ไปเขาบอกว่ามายุ่งคนไม่ทำร้ายขัดลาบรับ <laughs> <laughs> ขัดลาบเลย คุณแซมเปิลครับกราบครับหากเรารู้สึกเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราเคยทําไม่ดีในอดีตเราควรทําอย่างไรให้ความทุกข์นั้นหายไปหรือน้อยลงครับก็อย่าไปคิดถึงมันสิบางครั้งเวลาที่ถึงมันก็เราก็พูดโทพุทธมันก็หายไปต่อไปเราก็จะไม่คิดถมันถ้าเราพุดธทั้ที่มันโกล่นมาเราก็ใช้พุทโทพุทธโทามันไว้ฆ้าม่ให้มันคิด นี่คร네ับอาจารย์ออมเป็นเยอะครับแต่คุณสมพร้อมครับกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะเพื่อนกระโดดตึกค่าตัวตายเขาบาปไหมคะจะตกตะลบไหมเจ้าคะบาปบาปฆ่าตัวตายจะต้องไปตกตะบเพราะทุกมากคนที่ฆ่าตัวตายทุกมากคุณคมพีพันครับกราบธรรมศักด์ารกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมใช้ลมหายใจเข้าออกและการภาวนาพุทโธเป็นการสตาร์ท เหมือนกับเป็นกุญแจสตาร์ทรถหลังจากนั้นองค์ภาวนาจะหลายไปเพราะเขาไปทรงอยู่ที่จิตเหมือนกับคนขับรถที่มีจิตผู้รู้เป็นคนขับและมีสติในการจับเคลื่อนไปในที่ต่างๆแบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะควรยืนอยู่กับลมไปเรื่อยๆจะดีกว่าเมื่อ่จิตสง น, นิ่งแล้วนะแล้วลมก็หายไปเรือแต่ความว่าก็านั่นแหละคือตัวจิตที่แท้จิตคือความว่า ถ้ายังไม่ว่างยังยังก็งควรจะดูวงตอบถ้ายังไม่ว่างไม่แน่นก็ถือวา่าจิตยังไม่สงบก็ อ, อย่าไปดูอะไรให้ดูลงเพิออ่มอางเยียวพ่งั้นจิตไม่งั้มันจะไม่สงบพอดูลมทักพังแล้ว่็หยุดดูลงมันแล้วก็บอกว่าไปดูจิตก็ไปดูภาพคิดคุกแตะที่ไปมันก็ไม่มีวามที่จะหยุดคิดมันก็นจะไม่สงบ คุณบ้านหลังเขาครับ <c oughs> กับเรียนพระอาจารย์ครับเคยเข้าสมาธิถึงอัปปนาสมาธิได้เมื่อหลายปีก่อนแต่ปฏิบัติไปต่อไม่ถูกรู้สึกมีความสุขที่สุดร่างกายกับจิตตัดขาดจากกันต่อมาพยายามอย่างไรก็ทําไม่ได้แต่ก็ไม่เคยลืมทุกวันนี้ตั้งจุดหมายไว้คือเข้าสมาธิถึงอัปปนาสมาธิค่อยพิจารณากายต่อไปแบบนี้ถูกไหมครับมีโอกาสเข้าได้อีกครั้งไหมถ้าไม่ได้มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรครับ้องเข้าได้เราต้องเจริญสตินะ พุทานสติก็ได้อา น, นาปานาสติก็ได้เว้า น, นั่งสมาธิจะทำพุโทโธพุโทโธไปนไี่เยอะก็ด้วลยดึงลมหายใจเข้าออกก็ใช้ก็ได้เดี๋ยวมันก็เข้าไปวิธีนี้คือวิธีเข้าสึกอั ป, ปานาสมาธิจากคุณยลพรครับถึงศีลแปดคุยกับแฟนบาปไหมคะไม้บาปยังไม่ได้ผิดศีล ถ้าไม่พูดโกหกนะถ้าพูดโกหกข้อบาทรไม่ว่าจะคุยกับใครอะไรถ้าพูดโกนั่นข้อบาตรใช่ไหมจากคุณแว่นครับกลากธรรมกา ร, ศาศา ค, ารครับสมาธิที่เกิดจากการเจริญสติต่างกับการเจริญสมาธิอย่างไรครับกลาวรรมกา ร, า ค, ารครับสมาธินี่ <c oughs> เป็นผลเจิดเกิดจากการเจริญสตินะเพราะถ้าเราไ <c oughs> ม่สติเราก็จะควบคุมความคิดหรือความคิดได้ แต่พอเราพ็ภูมิคับปีหรือความคิดได้จิตก็จะเป็นสมาธิเป็นมางั้นสมาธิเป็นผลสติเป็นเหตการปฏิบัติมีรปฏิบัติที่การเจริญสติเช่นเวลานั่งดูลมหายใจเข้าเราก็เรียกว่าเป็นการเจริญอานาปานสติเกิการมีสติรู่อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจพอจิตอยู่กับลมไม่ไปคิดเรื่องงั้นนั้นมีจิตก็หยุดคิดพอหยุดคิดจิตก็สงบ พ่อฉมงก็เรยกว่าเป็นสมายที่คุณภูริชยาครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ถ้าโดนคนมาหลอกเอาเงินให้ไปลงทุนและเขาเอาเงินเราไปเราควรปล่อยวางอย่างไรดีคะที่จะไม่โกรธแค้นก็ถือว่าเป็นความโง่ของเราที่อยู่ดีๆก็สามารถเอาเงินจากเราไปได้แสดงว่าเราโง่กับเขาเขาฉลาดกว่าเราถ้าเราฉลาดกว่าเขาเราต้องแมว เอาเงินขอเราให้เขาเสร็จแล้วต้องให้เขาเอาเงินมาให้เราแต่อยู่ดีๆเขาก็มาพูดกลองเราให้เอาเงินของเราไปได้สมัยเราไม่พูดตอกับว่างั้นสมัยคุณไม่เอามาลงทุน่างเรามากคุณ <c oughs> <c oughs> คุณ b ก c k ้ครับกลับเรียนถามพระอาจารย์คนที่มีวิชาทิติมีความสุขกับการทําบาปก่อนตายก็ยังไม่สํานึกบาปจิตยังมีความสุขในแบบของเขา วาระก่อนตายจะไปสวรรค์หรือไปทางอบายคะเพราะจิตเขามีความสุขขอบคุณคะ่ะเราไปรู้ได้ไงว่าก็มีความสุขจิตใจของคนเราจะไปรู้ได้ไงการทําบาปนี่มันมีความทุกข์ทุกคนเวลาเพียงแต่ว่าไม่แสดงออกมาทางกิยอาการนั้นเองแต่ใจมันไม่สบายแล้วล่ะเวลาไปทําบาปนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่าการทําบาปแล้วมีความสุข อาจจะสุดแป๊บเดียวขณะที่ได้เช่นเป็โอนเงินางมาป๊อกงวดดีใจแปบไม่กี่วินาทีอันนี้ไม่ก็มาทุกกับา ก, การหลบหนือหลบหนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอันนั้มนมันทุกมากกว่าสุดสุดมันได้เพียงแป๊เดียวอันนี้คำ ถ, ถามจากคุณพรเทพครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าเรานั่งสมาธิและฟังธรรมไปด้วยได้ไหยครับาา ก, การฟังธรรมก็เป็นการสมาธิอยู่ในตัว อย่างถ้าเราถ้าเราฟังธรรมเราก็ไม่ต้องใช้พุโทโธไม่ต้องใช้นงหายใจเราใจเสียงธรรมแทนเป็นอารมณ์กอบใจคุณกันยาคะพระอาจารย์เจ้าคะถ้าไม่เคยไปวัดทําบุญแต่ว่าทําบุญบริจาคให้ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆกับคนยากจนมีโอกาสไปสวรรค์หรือเปล่าคะได้เหมือนกันไม่ได้อยู่ที่ที่ที่เราทําบุญว่าจะต้องเป็นวัดอย่างเดียวทําที่ไหนก็ได้ ก่กแมไปสวนนคุณยลพรครับกราบถามพระอาจารย์คะไปกราบสี่สังเวชนียสถานที่อินเดียปิดอบายภูมิใช่ไหมคะมันเป็นมันเป็นเครื่องเตือนสติให้เราเราลึกถึงพระพุทธกจามพระสงฆนั่นเอราลึกถึงคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าคือให้เัาเป็นจกกักรการทำบาปทั้งปุง ถ้าเราไปแล้วเราได้ข้าข้อนี้กลับมาเราก็จะปิดอบายได้เพราะเราก็จะเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านรู้จริงเห็นจริทรู้ว่าการไปอบายเกิดจากการมาทำบาปถ้าเราเชื่อถ้าเรารักษาศีลได้ตลอดชีวิตเราก็จะปิดปิดอบายได้ mm hmm. การปิดอบายอยู่ที่การไม่ทําบาปไม่ได้อยู่การที่ไปทำในเชิงพิษสารศีล ถ้าไปแล้ยังกลับมาทําบาปเหมือนเดิมก็ปิดได้ได้การที่เราไปนี้เพื่อให้เราเอาให้สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่เมื่อมีจริงแล้วคําสอนของท่านที่ว่าการทําบาปนี้จะทําให้ไปลบายการไม่ทําบาปนี้จะทําให้ปิดอาบายได้มันก็จะทําให้เราเชื่อเมื่อเราเชื่อเราก็จะไม่ทําบาปต่อไปพอเราไม่ทําบาปมันก็จะทําให้เราไม่ไปเกิดอาบาย จากคุณบลังสอนครับคุณอาจารย์ครับช่วยขยายความคําว่าคาลิสมาครับอันนี้มันเป็นงงแห่งภาษาภาษาคือคนที่มีบุญปการพิเศษมีมีวิวัใครเห็นแล้วก็เกิดความเรื่องสายศรัทธาขึ้นมาบุคคลพิเศษเช่นพระพุทธเจ้านั้ท่านก็มีคาลิสมาใครเห็นนะท่านใครก็มีทางศรัทธาเรื่อใส มีาบางรูปที่เราได้ยินได้ข่าวได้ความขา่าวบางท่านนั้นใครได้สัมผัสรับรูม้มากจากในศรัทธาในความเชื่อในความร่างความตรบขึ้นมานี่ก็คือลักษณะของคนที่มีคารคเตอเป็นคนที่เด่นกว่าคนปกติทุ่กคนคุณเปตองครับชาวพุทธควรไหว้พระพุทธรูปไหมครับควรจะไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จะมีพระพุทลูกหรือไม่ไม่ไม่เป็นประเด็นเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นสิ่งที่เราต้องระลึกถึงในใจคือพระพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้ค่ะพระธรรมคือคําสอนของพระเจ้าพรนิยสงสาวงคคือผู้ที่บรรลุธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เรากราทำองค์แบบนี้ให้เราเลื่อนถึงพระพุทธพระพุทธคุณพระธรรมคุณก็สั่งกุณเวลาเรากระคือให้เรา ยกพระพุทธพระธรรมพระสงฆให้เป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเรานเมื่อเรารับถือท่านเป็นครูอาจารย์เราก็ต้องเคารพท่านการนี้ร้องจะรู้หรือไม่ น, นี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่สําคัญสามารถกับฟามระหนัดก็ากัต้นไม้ก็ไนดะ้แต่ดียากานเหมือนเรากับต้นไม้แต่ภายในใจเรากับพระพุทธพระธรรมพสงฆ์เาเล่นถึงพระพบุทธพระธรรมพสงฆ คุณชิสาครับกาบขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์ค่ะลูกได้ดูแลคุณพ่อจนคุณพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ลูกมีความทุกข์ทุกครั้งที่คิดถึงท่านเพราะตอนที่เราดูแลท่านเราได้กําหนดอาหารให้ท่านท่านอยากทานอะไรเราไม่ได้ให้ท่านทานเพราะกลัวว่าท่านไปแล้วจะทําให้ท่านเจ็บปวดมากขึ้นเลยไม่ให้ทานจนท่านเสียชีวิตไปลูกไม่คิดว่าท่านจะไปเร็วเลยทําให้ลูกทุกข์ว่าทําไมท่านอยากทานแล้วเราไม่ได้ให้ท่านทานคะลูกจะต้องทํำยังไงให้ความทุกข์นี้ได้คลายความทุกข์ลงได้บ้าง และลูกจะบาปมากนะคะเออมันเป็นความหวังดีแต่ประสงค์ร้ายหวังดีอยากจะให้ท่านรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเพราะอาหาที่ท่านอยากรับประทานนั้นอาจจะเป็นโทษต่อร่างกายท่านอันนี้ก็เป็นความหวังดีจากประสงค์ร้ายเพราะมันทําไปไปขัดใจท่านทําให้ท่านไม่มีความสุขในการที่จะอยู่ต่อไปท่า น, นเลยไม่ได้อยู่มาจัย อยู่แล้วต้องกินอาหารที่ท่านไม่ชอบกินเราต้องเอาโพออกท่านมันใส่โพออกเราบ้างถ้าเราถูกคนอื่นบังคับให้เรากินอาหารที่เราไม่ชอบกินเราจะรู้สึกอันนี้มันพา่านมันมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วก็ว่ามันเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าต่อไปเราอทําทำอย่างนี้กับใครไปบ้างไม่ควรที่จะไปขัดใจเขาบอกเขาได้ว่าไม่ควรจะรับประทานนะหมอสห้ามัานแะต่ถ้าเขาสั่งเอามาอยากจะกินอยู่ ตามสบายชีวิตของคุณน่าตายของคุณเราในหน้าที่รับใช้คุณคุณสัง่งคุณอยากจะกินอะไรโอเคจะทําให้กินแต่บอกไปก่อนแล้วนะว่าหมอห้ามนะั้นไม่ดีนะแต่ถ้าคุณอยากจะ ก, กินก็ช่วยไม่ได้นะอย่างนี้เราก็ทําแบบนี้ได้ดนันอดีตที่มันผ่านไปน่าก็เอามาเป็นตุลาสนใจแล้วก็ต่อไปนี้เราอยาทำอย่านี้ก็แล้วกันแล้วเขาถามว่าบาปมากไมามหมครับอาจารย์ มันก็ไม่ถือก็บาปมเพียแต่ว่าไปไปไปขัดใจไปไปทําให้คนอื่นเขาทุกข์ใจแต่ก็ไม่ถจอกันเป็นการทําร้ายร่างกายของเขาเรียกว่าขาดความเมตตาเพราะที่ผู้มีความเมตตาจะไม่ทําให้ผู้อื่นทุกข์กายและทุกข์ใจจากคุณพระรัตครับกาพยอาจารย์ครับต้องจัดการความเครียดอย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดการคิดฆ่าตัวตายครับ ถ้าเพยายามทำใจให้สงบให้ได้ถ้าใจสงบแล้วความเครีก็จะหายไปพยายามฝึกสติบ่อยๆฝึกพุทโธพุทโธอยในไอเดียบทสิหรือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในไอเดียบทสิอย่าให้คิดปูนแตกคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันในหลับตาแล้วนับความคิดปูนแตกง่ายเท่าไหร่ความเครีก็จะเบาไปนล้วเมืม่เวลาก็นั่งหลับตาอยู่ลงหายใจนึกพุโทโธไป น่าจะจะเนื่งสะดแล้วความเครียดก็จะหายกันหมดชั่วคราวพอออกมาก็เรคอยควบคุมความคิดสัมพันธ์ให้ชิ้มากแต่คนอีเลครับกลับเรียนถามพระอาจารย์อีกครับทําไมคนทําบาปทํากรรมกับบุปผารีให้ทุกใจยังดูมีความสุขไม่เห็นได้รับผลแห่งกรรมผลจากการกระทำเสียทีครับก็บกกรรมนันเป็นเหมือนกับการทํากรรมนี่เป็นเหมือนการปลูกต้นไม้ในวันนี้ ปกตมาในวันนี้ไม่แน่หมาความว่าต้นไม้จะออกดอกออกผลให้ทันทีเห็นรายกรรมที่เราทําในวันนี้บางทีมันยังไม่สุคคือกรรมนี้ก็มีหลายชนิดบางอย่าง ก, ก็สมผลเร็วบางอย่าง ก, ก็สมผลช้านั้นก็ไม่ต้องไปกังวลกับเราท่นขอให้รู้คร่าวว่าทําบาปก็จะเกิดความทุกข์ใจตามมาไม่ช้าต่อเนืวทําบุญก็จะเกิดความสุขใจตามมาไม่ช้าต่อเนื่องให้คิดอริยสัพปะ สกุณสุวิชาครับกลับเรียนถามพระอาจารย์การการุญฆาตเป็นบาปของคนป่วยที่ยินยอมไหมครับแล้วแพทย์ที่ทําการรุญฆาตจะบาปด้วยไหมครับบาปเพราะคนป่วยต้องเป็นคนฆ่าตัวตายยินยอมให้เขงฆ่าคนฆ่าคนอื่นก็เป็นบาปเหมือนกันเพราะการธรรมาชีวิตนี้ต้องมีจิตใจที่เยี่ยมหมดเพราะคนป่วยถึงจะทําได้แต่อาจจะถุดโมหะหลอกว่าเป็นความเมตตาก็ได้เป็ความพรุณานก็ได้ แต่ความจริงชีวิตไทยเราก็รู้ว่าเป็นชีวิตที่เป็นของที่มีคุณค่าไมไม่มีใครอยากจะให้ทหําลายแต่ก็เกิดความเจ็บไายได้กวดขึ้นมาก็เลยเกิดอาการามีความเห็นผิดไปมีวิจฉาทิฏฐิขึ้นมากลับไปเห็นว่าการทำมายร่างกายนี้่เป็นวิธีที่จะทําให้คนเองหลุดพ้นจากภาพทุกข์ทรามาร ซึ่มานก็อาจจะทําให้หลุดพ้นได้แต่มันก็ไปทําเป็นสร้างภาวะที่มันเลวร้ายทางด้านจิตใจเพราทำให้จิตใจนี่มีความเหี้ยมกดมีความขาดความเมตตาต่อไปก็อาจจะฆ่าคนอื่นได้ง่ายไปเพราะถ้าฆ่าคนอื่นได้แล้วการฆ่าคนอื่นนี้มันเป็นความที่ยิ่ง่ายเพราะการรักชีวิตนี้ไม่ใช่การรักชีวิตข อ, ข, อของตนมากกว่าของคนอื่น ถ้าเกิดมีอารมณ์ขึ้นมาเมาือในี้ต่อไปก็อาจะฆ่าตนหนึ่งได้มากขึ้นกว่าเดิมในพยายามอยากฆ่าไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรก็ตามเพราะมันจะเป็นปลุกฝันเลสายที่ไม่ดีให้กับจิตใจคุณก่อรกำมลนครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการภาวนาระหว่างวันหมายถึงเวลาที่เราใช้ความคิดอยู่กับงานเมื่องานเสร็จเราก็เข้ามาอยู่กับพุทโธหรือลมหายใจแบบนี้ทั้งวันใช่ไหมเจ้าคะ่ะ ก็ได้เวลาที่เราว่างเราก็มานั่งดูลมหายใจพุโทโธและเวลาที่เราทํางานก็เราก็ภาวนาด้วยการมีสติอยู่กับงานที่เราทําให้เรากำลังทำอะไรก็ให้รู้อยู่ครับว่าเรากำลังทำอะไรอย่าปล่อยให้ใจไปคิดจะมึอันนี้ก็เป็นการค้นสติไปแลป้วพอเวลาเรามีเวลาว่างเราก็มานั่งดูลมลพุโทโธเพ่อให้จิตหยุดคิดเพื่อให้จิตสงบอันนี้ทําได้ทุกช่วงทุเวลาที่เรามีเวลา คำถามจากคุณสุรสักครับขอากราบเรียนถามผอาจาย์ครับตอนกลางคืนปีหนึ่งชอบนั่งภาวนาพุโทโธแล้วใส่ในาฬิกาเสี่ยวมี่วัดการเต้นของหัวใจต่ำกว่าหกสิบทำให้ตกใจไม่ค่อยกล้านั่งภาวนาครับออไม่น่านจะตกใจเพราะว่าที่พูดเวลาที่เรานั่งเฉยๆนี่การทำงานของร่างกายจะช้าลงลมหายใจก็จะเบาลงการเต้นของหัวใจก็จะลดลงเพราะว่ามันเป็นปกติของร่างกายเหมือนนวดยนต์ ตอนเย็งเวลาเราวิ่งแ ร, ร็วนี้เราก็จะเหยียบคันแร่งมันก็รอบมันก็จะสูงความเร็วก็จะสูงพอเราวิ่งช้าๆรอบมันก็จะต่ำอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรเสียหายไม่นําปวดไม่มีปัญหากลับมีคนมีประโยชน์เพราะร่างกายจะได้พักผ่อนแล้วจิตใจก็จะได้พักผ่อนในความพร้มพ อ, พอมกันด้วยคุณแสงธรรมครับกาเปียนพระอาจารย์ดูกายไม่ใช่เรา วิธีดูแบบไหนครับก็ดูว่ามันเป็นคนรับใช้เราเอ็นเหมือน น, น, นั่งยนต์เราเป็นผู้สั่งมันเราเราเป็นใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่เราเป็นผู้ให้คําสั่งบอกให้และให้ให้ร่างกายทําอะไรหน้าตากใกล้เราเปรียบเทียมร่างกายเราเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือว่าแล้วแต่เราเป็นผู้ใช้โทรศัพท์ เราก็สั่งให้มือถือนี่ไปถ่ายภาพไปอัดเสียงไปส่งส่งว่าสงข้อความส่งอะไรต่างๆเราก็ใช้มือถือทําหน้าที่เหล่านี้ใหญ่ก็ต้องใช้ร่างกายทําหน้าที่ให้ไปหารูปสิง่งกินก็มาให้กับใจแล้วก็สั่งให้ร่างกายไปทํานู่นทานี่เพื่อจะได้ตอบสนองความอยากต่างๆของใจ น, นี่คือวิธีดูใหรู้ว่า ใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันใจเป็นผู้ให้คำสั่งร่างกายเป็นผู้รับคาสั่งร่างกายถึงไม่ใช่ใจใจนี้เราใจนี้เป็นผู้สั่งแล้วใจก็ไปคิดว่าตอนเองเป็นเป็นตัวตนเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรแล้วก็ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวตนไปด้วยเพราะอยู่กับร่างกายมาตั้งแต่เกิดอยากจะรู้ให้แบบ อยากจะดูให้แบบชัดเจนว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละสูตรกันก็ตํานั่งสมาธิให้จิตเข้าสู่ความสงบเป็นอัปปนาสมาธิเราก็จะเห็นการแยกของร่างกายกับจิตใจอย่างชัดเจนอาจารย์ครับคำถามสุดท้ายครับจากคุณฟีโอน่าครับปัญญาอบรมสมาธิเป็นแบบไหนคะขอบคุณมากค่ะคือบางทีเราใช้สติแเราพุทโธพุทโธแล้วจิตไม่ยอมสงบเพราะจิตเราไปกังวลกับแฟนอย่างนี้ คาวนไม่แฟนเราไม่สบายจะตายหรือไม่ตายอย่างนี้เป็นพวกปัรยายแฟนก็เลยไม่สามารถอยู่กับพทโได้เมื่อปัญยาจะอยู่กับแฟนค่ะมันคิดพิจารณาแฟนไปเลยด้วยปัญญาว่าแฟนนามนี้เป็นตายรักหรือไม่เป็นตายรักหรือร่างกายของแฟนเราเที่ยงไม่เที่ยงร่างกายของแฟนจะอยู่ไม่ตลอดหรือว่าไม่ช้าก็แล้วก็ต้องตายพอเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ช้าก็แล้วต้องตาย เราละห้ามมันได้แก็แบะเราก็ห้ามมันไม่ได้เมื่อละห้ามันไม่ได้เร า, าก็ปล่อยมันไปดิมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปพอเราพิจารณาด้วยปัญญาก็ลปล่อยปล่อยวางความตายของแฟนนั่าปล่อยให้ตัแฟนตายนั่จิตก็จะเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบได้ยี่เรียกว่าปัญญาลบสมาธิแทนที่จะใช้พุตโธรหรือทันที่จให้ลมหายใจใจมันไม่ยอมอยู่กับพุตโธไม่อยอมอยู่กับลมหายใจมันจะไปอยู่ที่แฟนก็เอาแฟนนี่ยมันเป็นตัว พิจารณาด้วยปัญญาเพราะแฟนเราไม่เทียงตอนนี้เขาป่วยเดี๋ยวเขาก็ต้องตายอย่างแน่นอนห้ามไม่ได้หนอนดีขนาดไหนยาวิเศษขนาดไหนถ้าเขาจะตายก็ห้ามเขาไม่ได้พอพิจารณาแค้วทำจริงกันนี้ใจก็ปล่อยนะเลิกกังวลกับเรื่องของแฟนได้ใจก็เข้าสู่สมาธิได้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิกลับกับพระคุณพระอาจารย์นะครับวันที่สามทุ่มคึ่งกว่าๆผมข อ, อกาสพระอาจารย์ วันนี้มีคนฟังธรรมด้วยกันนะครับจากเฟซบุ o กแปดร้อยหกสิบสามท่านนะครับในยู u ูบหกร้อยสาสิบแดในครับเฮาสิบหกวันนี้มีคนฟังธรรมด้วยกันหนึ่งพันห้าร้อยสิบเจ็ดคนนะครับอาจารย์คารก็ขอแสดงความชยินดียินดีกับทุกกานที่ให้การสนใจในธรับเพราะการสนใจในธรรมจะทําให้เราได้สัมผัสกับนักแห่งรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวงเขาคิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิริศพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอดขอลาตลอดท่านผู้ชมไปในถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรก็คงจะได้พบกันอีกในวันอาทิตย์หน้าเวลาไปก่อนนะครับพระาจานกลับขอบพระคุณครับผม